ตามปกติแล้วชีวิตคู่ของพลอยกับคุณเปรมนั้นตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพลอยก็พยายามเอาใจคุณเปรมแล้วก็พยายามปฏิบัติตนให้ถูกกับความประสงค์ของคุณเปรมเสมอมานะคะถึงจะออกปากทัดทานบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะยอมทำตามใจคุณเปรมแล้วก็พยายามเก็บความรู้สึกส่วนตัวเอาไว้ถือเอาความเห็นของคุณเปรมในเรื่องที่สิ่งใดจะควรหรือไม่ควรนั้นเป็นใหญ่แต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่พลอยขัดขืนทัดทานอยู่นานเพราะเห็นว่าเป็นการฝืนความรู้สึกของตนจริงๆเรื่องนั้นก็คือการเปลี่ยนจากพะนุ่งจงกระเบนมาเป็นนุ่งผ้าสิ้นวันหนึ่งคุณเปรมพูดขึ้นว่าแม่พลอยฉันเห็นว่าต่อไปนี้นะ่ะแม่พลอยเลิกนุ่งผ้าเสียก็น่าจะดีนะแล้วการคุณเปรมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ อยู่ๆจะให้ฉันเลิกนุ่งผ้าเสียแล้วคุณเปรมหัวเราะชอบใจแม่พลอยนี่คงเห็นฉันเป็นคนบ้าพิลึกและสิป่าวร้อกฉันไม่ได้หมายความว่าจะให้แม่พลอยเลิกนุ่งผ้าเสียเลยแต่ฉันอยากให้แม่พลอยนุ่งผ้าสิ้นแทนผ้าจงกระเบนนะ่ะตายจริงนี่คุณเปรมเห็นฉันเป็นลาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือสมัยก่อนคนไทยนุ่งจงกระเบน ท่านุง่งซินนี่หมายถึงคนทางเหนือซึ่งแต่ก่อนก็เรียกว่าลาวานะคะก็ในหลวงท่านทรงโปรดคุณเปรมตอบอสั้นๆแต่ก็เป็นการอธิบายที่มีความหมายลึกซึ้งละค่ะเสด็จท่านก็ทรงเริ่มพรสสินแล้วข้าหลวงเสด็จเขาก็นุ่งตามทุกคนฉันก็เลยเห็นว่าแม่พร้อยควรจะนุ่งบ้างแต่พ้อยก็ ไม่เห็นด้วยนะคะกับเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่ไหวละคุณเปรมฉันแก่แล้วจะได้กลายเป็นตัวตลกไปเด็กๆมันจะหัวเราะย้ะอเอาฉันอายเขาทําไม่ได้หรอกเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่ใจเราแต่เราเป็นข้าท่านท่านโปรดอย่างไรเราก็ควรจะทําอย่างนั้นโถ่เอ้ยท่านจะโปรดอะไรก็โปรดได้ฉันไม่ว่าเลยแล้วก็อยากจะทําตาม แต่ทำไมถึงต้องมาโปรยที่ฉันนุ่งผ้าสิ้นเป็นลาวไปก็ไม่รู้กำเวนแ ท, ท้ๆทีเดียวลาวก้าวอะไรที่ไหนกันแม่พลอยคนทางเหนือเขาก็อยู่ในประเทศสยามอย่างเดียวกับเราเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกับเราๆนี่แหละแม่พลอยก็พูดเป็นคนโบราณไปได้อะไรของเขาดีเราก็ควรจะเอามาใช้จะไปมัวกระดาดกระเดืองอยู่ทำไมกันฉันก็ไม่ได้กระดาดกระเดืองอะไรหรอกคุณเปรมชั่วแต่ว่าฉันไม่เคยเมื่อยังเด็กๆ ก็เคยเห็นแต่ตำหนักพระราชาชายาขานุ่มพ้าสิ้นกันทั้งตำหนักพระราชาชายาเองท่านกระสรงผ้าสิ้นฉันก็เห็นว่าสวยดีชอบไปดูอยู่เสมอดูแล้วก็อดนึกชมไม่ได้ยิ่งเวลาท่านทรงแต่งเต็มยศทรงผ้าสิ้นยกทองยกเงินฉันก็ยิ่งเห็นสวยแต่ตัวฉันเองไม่เคยนึกว่าจะลองเพราะนุ่มจงกระเบนมาแต่อ้อนแต่ออกจะมาเปลี่ยนเอาตอนนี้ก็ดูอย่างไรอยู่ ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแม่พลอยก็รับอยู่เองว่านุ่งผาสิ่นนั้นสวยดีและจะมัวไปเกี่ยงงอนอะไรอีกลองนุ่งดูเถอะอีกหน่อยก็เคยไปเองฉันแก่แล้วแม่พลอยก็อย่างนี้แหละเอะอะอะไรก็แก้ตัวว่าแก่ซึ่งความจริงก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ตามใจฉันหน่อยเถรนะแม่พลอยฉันขอละถ้าฉันรับราชการกระทรวงอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่ฉันอยู่ในนั้น รู้อยู่แก่ใจว่าท่านโปรดคนอื่นเขาก็เริ่มทําตามพระราชนิยมกันแล้วฉันจะไม่บอกเมียฉันให้ทาบ้างก็ดูกระไรอยู่แต่ว่าภาสินฉันไม่มีพรอยพูดเสียงอ่อยๆเพราะว่าเริ่มจะเห็นใจคุณเปรมขึ้นมาคันๆนะคะว่าเมียคนอื่นเขาก็ทํากันคือมันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการของของคุณเปรมด้วยแล้วฉันจะหามาให้จะเอาเท่าไหร่ก็ได้ คุณเปรมตอบอย่างโล่งใจที่ไม่พลอยยอมแต่พลาสิินที่คุณเปรมหามาให้กุลีหนึ่งนั้นพอพลอยแก้ห่อออกดูก็ใจหายพลอยไม่แน่ใจว่าคุณเปรมเนี่ยได้เลือกพลาสิินเหล่านั้นหรือไม่นะคะเพราะว่าพลาสตินแต่ละผืนที่คุณเปรมหามาให้เนี่ยดูมีสีสันฉูดฉาดบาดตาเหมาะแก่คนที่อยู่ในวัยสาวรุ่นรุ่น มากกว่าคนอย่างพลอยคุณเชยซึ่งเผอิญมานั่งอยู่ด้วยเมื่อพลอยนั่งดูผ้าสิ้นที่คุณเปรมหามาให้ น, นนะคะคุณเชยก็ได้แต่หัวเราะหึ่ยหึสนุกและวแม่พลอยผัวหล่อนช่างหามาให้เมียนุ่งเสียจริงๆอะไรอะไรก็ดีหรอกฉันกลัวว่าหมามันจะไล่กัดเอาเท่านั้นแหละคือแสดงว่าสีคงจะสดเอามากๆดูเอาเถิดคุณเชยเพียงแต่จะให้ฉันนุ่งผ้าสิ้น ก็หนักใจเอาการอยู่แล้วแล้วก็ยังเลือกสีเลือกลายที่ฉันนุ่งไม่ได้อีกฉันรู้จักคนที่เขาขายผ้าสิ้นอยู่บ้างแม่พลอยแม่พลอยอย่าไปนุ่งพวกนี้โยนมาให้ฉันทั้งห่อ น, นั่นแหละแล้วฉันจะไปเปลี่ยนเข้ามาให้เลือกเอาที่มันพอนุ่งได้หน่อยแต่ไหนลองนุ่งดูสักผืนก่อนหรือฉันอยากดูว่าแม่พลอยหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อนุ่งแล้ว พลอยหยิบเอาผ้าสิ้นผืนหนึ่งมาลองนุ่งดูตามที่คุณเชยบอกแล้วก็เหลือไปมองดูตนเองในกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่กับข้างฝาภาพที่เห็นในกระจกทำให้พลอยต้องหัวเราะอยู่พักใหญ่ด้วยความขบขันฝ่ายคุณเชยก็มองดูน้องสาวแล้วก็หัวเราะเช่นเดียวกันต่างคนต่างเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเครื่องแต่งกายนั้นเป็นของไม่สาคัญ เป็นแต่เพียงอารมณ์ชั่วขณะของผู้ใหญ่ต่อไปก็อาจจะเลิกหาได้รู้ไหมว่าพสิ้นนั้นเมื่อมาถึงแล้วก็อยู่มาตลอดไปแล้วก็กลับกลายเป็นกระโปรงเป็นสลักยาวสลักสั้นและอื่นๆ อ, อ, อีกเป็นอันมากที่คนทั้งสองนึกฝันไปไม่ถึงว่าผู้หญิงไทยจะกล้าหานุ่ม ลอยนั้นรู้สึกขัดเขินเมื่อเห็นผ้านุ่งสีสดที่สามีซื้อมาให้แล้วก็บอกกับคุณเชยบอกว่าแหมถ้าต้องใส่พสิ้นพวกนี้ไม่กล้าออกจากบ้านแน่เลยออกไปก็ไม่รู้จะตีหน้าอย่างไรถูกจะนั่งลุกเดินเหินก็ดูมันผิดไปหมดคุณเชยก็บอกว่าฉันก็เห็นใจถ้าเป็นฉันก็คงลำบากเหมือนกัน เพราะดีที่ฉันได้ผัวเป็นหมอกลางบ้านไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องนุ่งตามเขาไปกรรมของฉันแท้ๆที่เดียวคุณเชยนี่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่คุณเปรมเขาคงไม่บอกให้เมียนุ่งแต่ฉันก็ได้ผัวอย่างนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องให้ทันสมัยฉันแทบจะตามไม่ทันอยู่แล้วไอ้ครั้นจะไม่ยอมตามก็จะขัดใจกันเสียเปล่าๆถ้าจะว่าไปฉันก็เห็นใจคุณเพลมนะแม่พลอย เมียคนอื่นที่เขาอยู่ในนั้นเขาก็นุ่งกันหมดเขาก็ต้องให้แม่พลอยนุ่งบ้างจะไปคืนอยู่คนเดียวอย่างไรได้เสียอยู่อย่างเดียวที่คุณเปรมเลือกผ้าซินมันเหลือเกินไปหน่อยเท่านั้นละคือเลือกสีสดเกินไปอีกสองสาวันต่อมาค่ะคุณเชยก็ไปหาผ้าซินมาเปลี่ยนให้นะค ะ, ะเป็นผ้าซินที่สีสันลวดลายเนี่ยไม่ฉูดฉาดเท่าชุดที่คุณเปรมหามา พลอยก็เริ่มตัดเสื้อที่จะเข้ากับผระสิ้นแล้วก็แพร่สะายที่เคยใช้เมื่อที่ยังนุ่งจงกระเบนอยู่นะคะก็เป็นอันว่าเลิกเด็ดขาดกับการนุ่งจงกระเบนแล้วก็หันมานุ่งสิ้นจนกระทั่งในที่สุดค่ะพลอยก็เริ่มคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเครื่องแต่งกายครั้งใหญ่ คือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพลอยทีเดียวนะเพราะว่านุ่งจงมาทั้งชีวิตตอนนี้พลอยจะนุ่งจงกระเบนเฉพาะเวลาอยู่บ้านหรือเวลาไปไหนเป็นการลำลองส่วนตัวแต่เวลาออกงานออกการเนี่ยพลอยก็จะนุ่งพ้าซิ้นการนุ่งพ้าสิ้นนั้นแพร่หลายไปรวดเร็วเกินคาดค่ะ และพอพลอยเริ่มจะคุ้นกับการนุ่งผ้าสินปรากฏว่าคุณเปรมก็เลิกสนใจในเรื่องของการแต่งกายนะคะหันไปสนใจกับการแต่งกายของตนเองและก็ของอื่นๆบางอย่างเช่นวันหนึ่งคุณเปรมจะไปงานขึ้นบ้านใหม่ของข้าราชการกระทรวงเดียวกันตามปกติ งานแบบนี้พลอยจะให้คุณเปรมไปคนเดียวไม่ค่อยจะไปด้วยและในงานนี้พลอยก็ให้คุณเปรมไปคนเดียวอีกตอนเช้าวันนั้นคุณเปรมเอาหีบห่ออะไรกลับบ้านหลายอันแล้วก็บอกกับพลอยว่าเป็นเสื้อผ้าที่หามาใหม่พลอยก็นึกว่าคงจะเป็นเสื้อผ้าธรรมดายังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูระหว่างที่คุณเปรมแต่งตัวอยู่นั้นพลอยก็นั่งเย็บเสื้อให้ประภัยอยู่ข้างนอก คุณเปรมแต่งตัวเสร็จเดินออกมาจากในห้องพรอยเหลียวไปดูสามีแล้วก็สะดุ้งสุดตัวคุณเปรมนั่นจะไปไหนกันนะ่ะแต่งตัวเรากับจะไปรับพระอังคารคือเรื่องของเรื่องนะคะวันนั้นนี่เป็นวันอังคารคุณเปรมแต่งตัวด้วยเครื่องสีชมพูทั้งชุดเลยคือผ้าม่วงสีชมพูเสื้อชั้นนอกก็เป็นแพรสีชมพูถุงเท้าแพร ก็สีชมพูรองเท้าหุ้มแพรตัวนก็สีชมพูแม้แต่หมวกสั ก, กหลาดที่ถืออยู่ในมือก็เป็นสีชมพูอย่างเดียวกับผ้าม่วงแล้วก็เสื้อนอกของอย่างเดียวที่มิได้เป็นสีชมพูไปด้วยนะคะก็คือไม้เท้าที่คุณเปรมถืออยู่ในมือคือถ้าไม้เท้าเป็นสีชมพูได้นีก็คงจะเป็นละค่ะคุณเปรมหัวเราะชอบใจฉันแต่งอย่างนี้เป็นอย่างไรแม่พลอยสวยดีไหม เออก็สวยดีหรอกแต่ทําไมมันเข้าชุดกันไปหมดอย่างนี้ฉันยังไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลยยังบอกไม่ถูกล่ะคุณเพรมเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็แต่งตัวกันอย่างนี้แหละคนที่ไปงานวันนี้ก็คงจะแต่งอย่างเดียวกันหมดแล้วมีสีชมพูร่วไปทั้งงานหรือคุณเพรมก็ส่วนมากก็คงจะเป็นอย่างนั้นละ่ะและวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธ ก็คงจะเขียวกันทั้งตัวอีกคุณเปรมตอบอย่างธรรมดาในขณะที่พลอยเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่าแล้ววันอาทิตย์เล่าคุณเปรมทำอย่างไรก็แต่งแดงคุณเปรมตอบหน้าตาเฉยแดงหมดตั้งแต่หมวกจนถึงเกือกทีเดียวหรือก็ต้องอย่างนั้นละฉันน่ะมีหมดแล้วทั้งเจ็ดสีคุณเปรมตอบทำเอาพลอยเนี่ย ต้องผิดตูคุณเปรมอยู่หลายตลบนะคะถ้าแต่งตัวกันอย่างนี้อีกหน่อยผู้หญิงก็คงแพ้ฉลองอกไปอย่างที่คุณเปรมเป็นคนขาวถ้าเป็นคนดำแล้วแต่งตัวชุดวันอาทิตย์แล้วก็คงจะงามหน้าละคงเหมือนไอ้นณังเมื่อแผ่นดินก่อนไอ้คังก็คื อ, เ, อ, อเด็กเผาซาไกานะคะที่ ลงเกล้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยรับมาจากทางใต้แล้วก็ให้มาอยู่ในวังแล้วก็กลายเป็นคนดังในยุคนั้นแล้วก็เป็นที่มาของพระราชนิพนธ์เรื่องลำหับจําได้ไหมคะที่เราเคยเรียนกันนี่แหลคะค่ะก็เป็นเงาะป่าซาไก่คนแรกและคนเดียวมั้งคะ่ะที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังแล้วก็เป็นคนปโปรดนะคะ รรกล า, ราชาที่ 5. ฉันอูสาหาเครื่องแต่งตัวให้ถูกสมัยอยู่ตั้งหลายวันพอแต่งเข้าจริงแม่พร้อยจะชมสักคำก็ไม่มีคุณเปรมพูดแบบน้อยใจนะคะฉันก็เห็นว่าสวยดีจริงๆนะคุณเปรมแต่ว่าตาฉันมันคงยังไม่เคยนะ่ะเห็นเข้าหนแรกก็ถามไปอย่างนั้น รู้อย่างนี้แล้วฉันจะได้ตั้งตาคอยชมทีละชุดจนครบเจ็ดสีเดวันคุณเปรมยืนหมุนไปหมุนมาอย่างเก้อเกออยู่พักหนึ่งแล้วก็ลงเรือนขึ้นรถออกจากบ้านอีกสักครู่นางพิศก็เดินตุบตับตุบตับขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นมาซุดตัวลงนั่งข้างหน้าพลอยคุณพลอยเมื่อกี่ตัวอะไรลงไปจากบนตึกเจ้าคะคุณพระตังหากลาพิศ โอยอันนี้จังทุกขังโอ้โหทำไมแต่งตัวอย่างนั้นแล้วบ่าวดูแต่ไกลจาไม่ได้จริงๆนึกว่า ง, ง, งิ้วที่ไหนมาเดินอยู่ก็คงจะน่าขำจริงๆนะครับแต่ตามความจริงค่ะคุณเปรมเนี่ยแต่งกายด้วยสีเดียวกันทั้งชุดเป็นการทดลองเท่านั้นพอมีโอกาสแต่งไปจนครบเจ็ดชุดเจ็ดสีหลังๆก็ดูคุณเปรมจะเนื่อยๆไปแล้วก็หันเข้าหาพม่วงสีน้าเงิน หรือว่ า, าผ้าพื้นสีน้ําเงินบ้างสีเทาบ้างแล้วก็ซื้อนอกขาวๆเรียบๆอย่างตะกอนความสนใจเริ่มพุ่งไปที่ไม้เท้าค่ะไม้เท้าที่คุณเปรมถือเป็นไม้แก้วซึ่งกําลังฮิตนะคะคือกําลังเล่นกันอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ซื้อขายกันด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงเป็นงานอดิเรกล่าสุดของคุณเปรม คุณเปรมคลั่งมากสะสมไม้เท้าต่างๆมากมายและที่ตื่นเต้นที่สุดปรารถนาที่สุดก็คือไม้แก้วรู้ว่าที่ไหนมีหรือว่าที่ไหนดีคุณเปรมก็จะสืบสาะติดตามไปจนถึงถ้าเจ้าของไม่ขายก็ขอให้ได้ชมแต่ถ้าเจ้าของยินดีจะขายเรียกราคาเท่าไหร่คุณเปรมก็ซื้อแบบไม่ต้องต่อราคาล่ะค่ะเพราะอย่าลืมว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนมีฐานะนะคะอยากได้อะไรสบายมาก ไม้แก้วบางอันที่คุณเปรมซื้อทำให้พลอยต้องสะดุ้งด้วยราคาที่แพงถึงขนาดแต่ครั้นจะทัดทานก็ไม่กล้ากลัวคุณเปรมจะหาว่าขัดใจและคุณเปรมก็คงรู้ความคิดของพลอยก็มักจะมีการออกตัวเอาไว้ก่อนเสมอว่าถูกหน่อยแพงหน่อยอย่าว่าฉันเลยนะแม่พลอยใจฉันมันรักจริงๆถึงจะเสียสตางไปในทางนี้ ก็ยังดีกว่าทางอื่นแล้วนะเป็นต้นว่าไปแอบมีเมียน้อยไอ้ไม้แก้วน่ะถึงจะแพงแต่มันก็ไม่ทําให้ไป่พลอยต้องร้อนใจถ้าฉันเอาสตางออกบำเรอผู้หญิงเมื่อไหร่แม่พลอยถึงค่อยว่ากันละกันนะเมื่อได้ยินคุณเปรมพูดแบบนี้นะคะพลอยก็ได้แต่นิ่งนึกอยู่ในใจถึงแม้ว่าคุณเปลมจะใช้เงินเที่ยวบำเรอคนอื่นจริงพลอย ก็คงจะนิ่งอีกล้วค่ะจะว่ากล่าวคุณเพรมได้อย่างไรแต่พลอยก็นึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกแล้วก็รู้สึกแปลกใจไม่เข้าใจกับการที่คุณเปรมซื้อไม้เท้ามาด้วยราคาแพงแต่ปรากฏว่าไม้แก้วทุกอันที่คุณเพรมซื้อมาแพงๆนั้นเมื่อได้มาแทนที่จะเอเอาออกมาถือหรือเอาว่าเอาออกมาใช้งาน เปล่าเลยค่ะคุณเปรมกลับให้ต่อสังกสีเป็นหลอดขนาดใหญ่กว่าไม้เท้าแล้วก็เอาน้ํามันใส่ในหลอดสังกะสีจนเต็มแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยแช่ทิ้งเอาไว้ทุกครั้งที่มีเวลาว่างอยู่กับบ้านคุณเพรมก็จะเอาไม้เท้าอันโ น, น้นอันนี้ขึ้นมาขัดด้วยผ้าหรือว่าหนังนุ่มๆขัดอย่างประนีดประจงแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นมาแตะต้องพอขัด จนเป็นที่พออกพอใจก็เอากลับลงแช่น้ำมันต่อไปอีกพอมีเพื่อนฝูงมาขอดูไม้เท้าคุณเปรมก็จะดีอกดีใจต้อนรับเป็นพิเศษแล้วก็มีความสุขมากเมื่อได้ยินคําสรรเสริญจากปากคนอื่นว่าไม้เท้าแต่ละอันเนี่ยวิเศษยังไงพลอยก็พยายามฟังข้อความที่คุณเพรมพูดกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของไม้เท้าอยู่หลายตลก แต่พรอยก็ไม่สามารถจะทำความเข้าใจได้ว่าไม่เท้าแต่ละอันมีคุณสมบัติวิเศษแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าถ้อยคำที่พูดกันนั้นพลอยฟังดูแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเป็นคนละภาษาและในสายตาของพรอยไม่เท้าแต่ละอันก็ดูเหมือนกันไปหมดไม่เห็นว่าจะต้องตื่นเต้นอะไรกันนักกันหนาถึงเพียงนั้น พลอยเคยปรารถเรื่องนี้กับคุณเชยแต่คุณเชยก็ไม่สามารถที่จะทําให้พลอยกระจางแจ้งแก่ใจได้เช่นกันนะคะคุณหลวงของฉันก็เหมือนกันแล้วแม่พลอยคลั่งไม่เท้าไปกับเขาด้วยเคราะดีที่มีเพื่อนฝูงเขาให้ไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นหมอไม่เท้าไปแล้วของใครที่ไม่ขึ้นเงาหรือไม่มีลวดลายก็ต้องส่งมารักษาที่หลวงโอสถ ทั้งแช่น้ามันทั้งขัดง่วนอยู่วันยังค่ำใครจะเจ็บใครจะตายที่ไหนไม่ต้องรู้เรื่องกันละ่ะเป็นนั้นว่าคุณเชยก็งงเหมือนพลอยนะคะทีนี้คนที่ให้คําอธิบายกับพลอยได้ดีที่สุดก็เห็นจะเป็นพ่อเพิ่มละคะ่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันวันหนึ่งพลอยก็เลยถามพ่อเพิ่มว่าคุณหลวงเล่นไม่เท้ากับเขาบ้างหรือเปล่าเปล่า พอเพิ่มตอบสั้นๆแล้วก็หัวเราะพอพลอยถามว่าทำไมถึงไม่เล่นเพราะว่ายุคนี้ใครๆเขาก็เล่นกันแล้วพอเพิ่มเนี่ยก็เป็นนักเล่นอะไรต่ออะไรอยู่แล้วนะคะพอเพิ่มตอบว่าไม่เล่นละไม่พลอยฉันเล่นแต่ของที่มีชีวิตชีวานกเขาบ้างต้นไม้บ้างดูมันเติบโตแล้วก็เรียนรู้นิสัยใจคอจากมันบางทีมันก็ให้ความสบายใจได้แต่ไม่เท่ามันเป็นของตาย วางไว้มันก็อยู่เฉยๆถือไปถือมามันก็เท่านั้นถ้าจะถืออะไรแล้วฉันถือไม้ตะพดดีกว่าตีหัวคนเล่นก็ได้แล้วคนอื่นทำไมเขาถึงตื่นเต้นกระเสีย จ, จริงๆพรอยพูดอย่างไม่เข้าใจพอเพิ่มก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนพวกเครื่องลายครามหรือตลับงานนั่นแหละคนเราเนี่ยชอบประกวดประขันแข่งดิบแข่งดีกันแข่งดีทางอื่นไม่พอ ก็ต้องแข่งดีกับด้วยของคอยประกวดว่าใครจะมีของดีกว่ากันถ้าไม่ใช่กระเบื้องถ้วยกะลาแต่ก็ต้องเป็นไม้เท้าต่อไปก็คงจะเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนก็เล่นลายครามกันอยู่พักนึ่งแล้วก็ทุ่มเทเงินทองเที่ยวหาซื้อมาให้เข้าชุดไว้แข่งกันว่าของใครจะดีกว่าของใครอยู่มาก็มีคนสั่งเข้ามาจากเมืองจีนออกขายเป็นชุดๆ ด, ดาดดืนนักเข้ากระจืดไปเอง เดี๋ยนี้กลายเป็นไม้แก้วแล้วอีกหน่อยฉันว่าก็คงจะจืดไปเองล่ะเลื่องก็จะแข็งดีอวดมั่งอวดมีกันเท่านั้นถ้าจะเล่นให้สนุกแล้วฉันว่าเอาเงินมากองเปรียบกันดีกว่าว่าของใครจะกองโตกว่ากันฉันเล่นกับเขาด้วยไม่ได้รอกไม่พร้อยเพราะฉันไม่มีเงินจะมากองถึงจะมีฉันก็ไม่เอามากองอวดใครเอาไปใช้ทางอื่นดีกว่าเป็นต้นว่ากินเหล้าให้มันหมดหมดไป หมดแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนต้องคอยประกวดประคันเหมือนคนมีเงินทั้งหลายที่ก็ต้องเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันคำอธิบายของพระเพิ่มนั้นนับว่าใกล้เคียงต่อความจริงอยู่มากนะคะเพราะว่าการแต่งกายในสมัยนั้นก็ดีสมัยนั้นก็คือในเป็นดินของรัชกาลที่หกนะคะ การกินกันอยู่ตลอดจนการใช้จ่ายเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อมีการประควดประขันและก็แข่งดีกันตามคำของพ่อเพิ่มก็เป็นสัญลักษณ์ของยุคที่บริบูรณ์เป็นเครื่องหมายว่าสมัยนั้นผู้คนอาศัยความสมบูรณ์พูนสุขของบ้านเมืองอันเป็นผลของการกระทาจากยุคก่อนในชีวิตประจาวัน อย่างสุขกายสบายใจคือความสุขของแผ่นดินนี้ก็เป็นผลมาจากเหตุในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะเพราะฉะนั้นในแผ่นดินนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนอยู่กันแบบสำราญบานใจพูดง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีความข่องใจอะไรเพราะว่าสมัย แผ ด, ดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นวางรากฐานแล้วก็จัดการเรื่องอะไรต่อมิอะไรเอาไว้ดีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ปราโมทนะคะท่านก็เขียนบอกเอาไว้ในตอนนี้ว่าคนที่มีชีวิตหรูหราที่สุดในขณะนั้นเห็นจะได้แก่คนที่อยู่ในพระราชสำนักหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดพระราชสำนักคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ปราศจากความคับแค้นใดๆบางครั้งก็แสดงออกถึงความบริบูรณ์นั้นในลักษณะแปลกๆวันหนึ่งพลอยนั่งรถไปธุระกับคุณเปรมในตอนบ่ายเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งนุ่งกางเกงแพรสีคาดเอวด้วยผ้าเป็นผ้าแพรสีปล่อยชายยาวสวมเสื้อนอกแพรฝรั่งเศส ตะเปิดกระดุมตลอดแถวทำให้มองเห็นเสื้อชั้นในค อ, อกลมทำด้วยแพรบางๆแล้วก็เสียมาทองคำอักษรพระปรมาพิไทยซึ่งแขวนอยู่ข้างในใชายหนุ่มคนนั้นขี่จักรยานยนต์ขับสวนทางไปอย่างรวดเรว็วน่าใจหายแล้วก็นั่งอยู่บนจักรยานยนต์ด้วยท่าทางอันผิดปกติมนุษย์ก็คือห้อยขาลงเพียงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งพับพาดเอาไว้บนตัวรถ พลอยเห็นความเร็วที่ชายหนุ่มนั้นขับรถก็สะดุ้งตกใจกลัวจะเป็นอันตรายเหลียวไปมองหน้าคุณเปรมคุณเพรมก็หัวเราะหึ่หึแล้วก็บอกชื่อชายหนุ่มคนนั้นนะคะบอกว่าเป็นมหาดเล็กหลวงเป็นคนที่รำอินเทร์ชิปได้สวยอย่างไม่มีตัวจับแต่ความรู้ราบฟุ่มเฟือยในราชสำนักสมัยนั้นก็ม่ได้มีใครเห็นเป็นของเสียหายและไม่ได้มีใครมองดูด้วยสายตาที่มีความอิจฉาริษยาตรงกันข้าม คนส่วนมากกลับมองดูความเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเห็นเป็นมาตรฐานที่จะต้องดำเนินตามไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายกิริยามารายาทตลอดจนวิธีการพูดจาและอาหารการกินและเหล้าหรือบุหรี่ชนิดต่างๆนั้นก็มักจะมีความนิยมเกิดขึ้นในราชสำนักก่อนแล้วก็แพร่หลายออกไปโดยทั่ว ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของคนทั่วไปในขณะนั้นอยู่ในระดับที่ตีพอที่จะไม่เกิดความเครียดแค้นน้อยใจในความสุขของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ประการที่สองค่ะราชสำนักในสมัยนั้นเป็นราชสำนักที่เปิดกว้างไม่จํากัดชั้นวรณนะหรือชาติตระกูลของผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตนต้องพระราชอัธยาศัย หรือมีผู้ใหญ่ถวายตัวหรือฝากฝังกับคนที่ใกล้ชิดทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้เข้าพระราชสำนักมีโอกาสที่จะบำเพ็ญตนให้รุ่งเรืองต่อไปคือโอกาสนั้นมีเท่ากันสำหรับคนทุกคนไม่ว่าบุคคล น, นั้นจะเกิดมาเป็นเจ้านายในราชตระกูลหรือเป็นยาจกเขียนใจสิ่งที่เรื่องลือพูดถึงกันอยู่ทั่วไปคือพระราชหฤทัยอันเต็มไปด้วยพระเมตตา เพื่อแพ่แก่คนทั้งปวงใครมีทุกข์ใครขาดแคลนหากแสดงความทุกข์ความขาดแคลนนั้นให้ถึงพระเนตรพระกันก็จะต้องได้รับพระมหากรุณาที่คุณแทนทุกคนไปดังนั้นทุกวันก็มักจะมีข่าวว่าคนโน้นได้รับพระราชทานที่คนนี้ได้รับพระราชทานบ้านคนโน้นได้รับพระราชทานเงินหรือว่าของมีค่าอื่นๆ พลอยเคยปรารบกับคุณเปรมในวันหนึ่งว่าในหลวงแผ่นดินนี้ท่านเหมือนพระเวสสันดรดีๆนี้เองนะคุณเปรมยิ่งกว่าพระเวสสันดรซะอีกแม่พลอยพระเวสสันดรท่านให้เฉพาะแต่ของที่ท่านมีแต่เจ้านายของฉันบางทีท่านก็พระราชทานทั้งที่ท่านเองก็ยังไม่มีด้วยซ้ำไปฉันเคยเห็นคนเขาขอพระราชทานเงินแต่เงินที่เขาขอนั้นมากไปเงินที่มีอยู่ไม่พอ เลยต้องพระราชทานให้เขาเป็นงวดงวดเหมือนกับใข่นี่จนครบตามที่ขอฉันเห็นน้ําพระทัยท่านแล้วเลยขอพระราชทานอะไรไม่ลงแต่แรกเคยนึกว่าจะถวายตาอัน้นให้เป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์ถ้าฉันขอก็คงจะได้แต่คิดไปฉันก็ไม่ขอละฉันสงสารท่านคนอื่นๆที่ได้รับพระมหากรุณาเขากินอยู่กันอย่างฟุ่มเฟือยไม่อนาทนร้อนใจ แต่พระองค์ท่านเองซะอีกทรงอยู่อย่างง่ายๆลําพังแต่พระองค์เองก็คงจะหมดเปลืองไม่เท่าไหร่ลอกสวยก็นิดๆหน่อยๆเครื่องต้นเย็นเย็ น, ยนชืดชืดไม่เป็นรดสนับเพลาบางทีก็ขาดบางทีก็ทรงภูษาแดงผืนเดียวประทับทรงพระอักษรก็ตั้งน้ําบาเล่ไว้ถ้วยหนึ่งน้ํายาอุทัยถ้วยหนึ่งก็สวยไปจนหมดไม่เห็นเรียกร้องอะไรฉันคิดคิดดูแล้วเห็นว่า รายจ่ายส่วนพระองค์แท้ๆนั้นขนาดฉันก็ถวายได้ไม่แพงเกินกว่าที่จะรับเป็นอุปถาพระองค์หนึ่งเลยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชตรีวัตรและพระราชอัจยาศัยของพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินนี้นั้นพลอยได้รู้จากปากคุณเปรมเป็นส่วนมากในฐานะที่คุณเปรมเนี่ยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนะคะและทุกครั้งที่คุณเปรมพูดถึงก็พูดด้วยความนิยมและก็ความเคารพเลื่อมใสโดยสุดจริตใจ คุณเปรมไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นในทางที่จะเสื่อมเสียพระเกียรติยศแม้แต่ครั้งเดียวพรอยเคยถามคุณเปรมว่าระหว่างแผ่นดินนี้กับแผ่นดินก่อนคือพระพุทธเจ้าหลวงนั้นคุณเปรมมีความเห็นอย่างไรเรื่องนี้คุณเปรมตอบว่าแหมเรื่องนี้พูดยากจริงๆแม่พรอยแผ่นดินก่อนนั้นฉันเกิดมาในแผ่นดินของท่าน พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เหลือเกินมีแต่ความเกรงกลัวเสียเป็นที่สุดเห็นว่าตัวเองเป็นเด็กไม่มีความสำคัญอะไรจนกระทั่งสิ้นแผ่นดินถ้าจะเปลี่ยบไปในเวลานั้นก็เหมือนคนที่ยังอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปปกครองตัวเองแต่แผ่นดินนี้ฉันเคยเห็นท่านมาตั้งแต่ทรงเป็นทูลกระหม่อมโต แล้วก็เป็นสมเด็จพระบรมจนได้เสด็จขึ้นเสวย ร, ราชความรู้สึกที่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่สูงสุดเอื้อมนั้นก็ไม่มีจะเพททูลสิ่งใดก็ไม่ถึงกับประมากลัวเกรงจนสั่นไปทั้งตัวอย่างแต่ก่อนมีความเคารพตรงที่ว่าท่านเป็นลูกของเจ้านายและในฐานะที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตมีความกะตัญยู ที่ว่าเชื้อสายของท่านได้ปกครองชุบเลี้ยงให้พ่อแม่ของเรามีความสุขความเจริญมาแต่ก่อนแต่พอฉันรับราชการนานไปยิ่งได้เห็นได้ใกล้ชิดก็ยิ่งทั้งรักทั้งบูชาท่านอย่างอธิบายไม่ถูกอย่างแผ่นดินก่อนก็ใช่ว่าฉันไม่รักท่านแต่ถ้าใครถามก็ตอบได้ทันทีว่าฉันรักท่านอย่างพ่อแต่ว่ามากกว่าพ่อตัวจริงๆ เมื่อสวรรคตฉันก็เสียใจเหมือนกับว่าเดือนตะวันดับไปแล้วจะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาอีกแต่แผ่นบินนี้ฉันอธิบายได้ยากใจหนึ่งนั้นเคารพเลื่อมใสเสียเป็นที่สุดเพราะท่านเป็นคนดีคนฉลาดมีความรู้กว้างขวางมากกว่าใครทั้งหมดที่ฉันที่เคยเห็นมาความนับถืออย่างนี้จะเปรียบกับความนับถือครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ เพราะความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้เป็นแต่บางอย่างแล้วก็มีหมดมีสิน้นแต่ความรู้ที่ฉันได้จากท่านนั้นกว้างขวางเกินที่จะประมาณไม่มีวันหมดและไม่มีที่จะทันท่านได้ส่วนความรักที่ฉันมีต่อท่านนั้นยิ่งอธิบายยากไปใหญ่บางเวลาฉันรักท่านยังไม่เคยรักอะไรมาแต่ก่อนรู้สึกว่าความรักทั้งหมดที่มีต่อบ้านเมือง ตลอดจนลูกเมียญาติวงไปรวมอยู่ที่ท่านพระองค์เดียวท่านจะทรงใช้ให้ฉันทําอะไรฉันก็ทําถวายได้แม้แต่ชีวิตก็ถวายได้เพราะความที่ฉันรักท่านเช่นนี้และเพราะความรักอันนี้อีกนั่นแหละที่ทําให้ฉันมีความกระตือรือร้อนอยากจะทําดีอยากทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอยากหาวิชาความรู้ใส่ตัวให้สมกับที่ได้เป็นข้าของท่าน แต่บางเวลาท่านทรงแสดงน้ำพระทัยออกมาบางอย่างให้เห็นฉันก็รักท่านและเห็นพระทัยสงสารเหมือนกับเวลาที่เรานึกรักพี่น้องคนรู้จักที่ใจดีเจตนาดีแต่มีคนอื่นเขาถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบและเจ้าตัวก็ไม่รู้ทันเพราะเจตนาดีของตัวเองนั้นบดบางมิให้เห็นเรียกว่ามองไม่เห็นความชั่วของคนอื่นเวลาที่รู้สึกเช่นนี้ ฉันก็สงสารท่านใจจะขาดอยากจะเข้าไปปกป้องคุ้มครองท่านเหมือนกับว่าท่านเป็นเด็กๆที่ถูกคนอื่นรังแกแต่ก็มีบางเวลาที่ท่านสบายพระทยัยตรัสเล่นหัวรับสั่งคุยอย่างเป็นกันเองกับคนที่เฝ้าอยู่เวลาจะทรงพระสวนเวลาที่ทรงกลุ่มกริมตรัดหยอกล้อใครต่อใครฉันก็ได้แต่นั่งมองดูท่านแต่ห่าง ดูเท่าไหรก็ไม่จืดท่านช่างน่ารักน่าเอ็นดูจับจิตจับใจเสียจริงๆในเวลาอย่างนี้ฉันก็รักท่านหลงท่านเหมือนกับรักผู้หญิงได้พบได้เห็นท่านในเวลาเช่นนั้นก็มีแต่ความชื่นใจสรุปความแล้วในหลวงแผ่นดินนี้ท่านมิใช่คนธรรมดาสามัญที่ใครได้พบเห็นแล้วจะเกิดแต่อารมณ์อย่างเดียวเป็นประจำ ทุกคนจะต้องเกิดอารมณ์ต่างๆอย่างรุนแรงหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สุดที่สิ้นฉันไม่เคยพบเคยเห็นคนอื่นที่เป็นอย่างนี้นี่พูดกันตามความเป็นจริงอย่างแม่พลอยนี่ฉันก็รักและรักมากเท่าไหร่แม่พลอยก็ต้องรู้แต่สําหรับแม่พลอยฉันรักอย่างเดียวคงเส้นคงวาตลอดมาเป็นอารมณ์รักอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนถึงจะมากขึ้น ก็เป็นอารมณ์รักอันเดิมนั่นเองผิดกับที่ฉันรู้สึกต่อท่านคุณเพรมก็ตอบยาวเลยทีเดียวนะคะอธิบายแจกแจงแยกแยะพลอยก็ถามว่าคุณเปรมเคยกลัวท่านหรือไม่เล่าจะว่ากลัวก็กลัวเสียเป็นที่สุดแต่ความกลัวเกรงที่ฉันรู้สึกนั้นก็แปลกอีกแต่แรกนั้นฉันกลัวท่านมากเวลาที่ไม่พอพระทัยขึ้นมา พระโลหิตขึ้นตามพระนาลราศเนื้อพระขนงแดงขึ้นมาฉันใจคอไม่ดีเลยยิงเวลาเหลือพระเนตรเขียวปัดมาทางเราฉันแทบจะมุดแผ่นดินหนีแต่ฉันมานึกๆึกดูก็รู้ว่าความจริงฉันไม่ได้กลัวท่านหรอกฉันกลัวสมเด็จพระพันปีที่อยู่ในพระองค์ท่านเห็นจะถูกกว่าสมเด็จพระพันปีก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชนีนาธ ซึ่งเป็นพระราชชนนีของลนกล้าราชการที่หกนั่นเองนะคะเพราะว่าท่านเหมือนกันเหลือเกินในบางเวลาแต่ต่อมาฉันก็เลยกลัวจริงๆจะเรียกว่ากลัวก็คงไม่ได้เรียกว่ากเกรงจะถูกกว่าเพราะคนที่ถูกกลิ้วก็มักจะผิดจริงๆใช่ว่าท่านจะกลิ้วไปตามเรื่องก็เปล่ายิ่งเวลาออกงานออกการมีผู้คนมากท่านไม่กลิ้วให้ใครเห็นเลยใครทาอะไรผิดกระถอดพระเนธมองยิ้มยิ้ม และกลับมาข้างในจริงจะกลิว้วและถ้าลงได้กลิ้วแล้วก็เป็นกลิ้วใหญ่ทีเดียวแต่ฉันก็เห็นพระทัยท่านตรงที่ท่านอุตส่าห์ไว้หน้าเราไม่กลิ้วให้คนข้างนอกได้ยินซึ่งถ้าหากท่านจะทําจริงๆก็คงจะทําได้แต่เมื่อท่านอุตส่าห์อดทนเก็บเข้ามากลิ้วถึงข้างในไม่ให้เราต้องเสียเหลี่ยมอับอายขายหน้าเขาฉันก็ถือว่าท่านกลิว้วเพราะท่านอยากให้เราดีเมื่อกลิ้วแล้วก็แล้วกันไป เราก็ควรจะทําจดจําไว้ไม่ให้ต้องเดือดร้อนพระทัยอีกโดยเหตุอย่างนี้ละ่ะฉันจึงได้เกรงท่านมากถ้าหากว่าท่านไม่เป็นอย่างนี้แต่กลิ้วแหววาอยู่ตลอดเวลาก็คงจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปฉันก็คงจะไม่กลัวเกรงเท่าไหรนะ่นักนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเนี่ยได้คุยกับคุณเปรมจริงๆ เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณเพรมที่มีต่อแผ่นดินนี้ต่อพระเจ้าอยู่หัวราชการนี้ซึ่งพอพลอยได้ยินถ้อยคําของคุณเพรมก็พอจะเข้าใจได้ละค่ะว่าเพราะเหตุใดตั้งแต่ผัดแผ่นดินมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คุณเพรมจึงได้เปลี่ยนไปมากจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละคนและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พลอยเห็นอยู่ทั่วไปในแผ่นดินนั้นก็เป็นเพราะมูลเหตุสําคัญนั้นเปลี่ยนไป เป็นเรื่องของความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างแผ่นดินทั้งสองวันหนึง่งช้อยออกมาเยี่ยมที่บ้านขอบขนมและก็ของกินต่างๆที่จะหาได้เฉพาะแต่ในวังเอามาฝากพ้อยแบบเต็มตะกร้าเลยทีเดียวช้อยมาคุยที่บ้านเมื่อไหร่ วันนั้นก็จะเป็นวันที่พลอยรู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจเป็นพิเศษเพราะชอยมักจะมีข่าวแปลกๆ แ, แล้วก็ความเห็นแปลกๆมาเล่าให้พลอยฟังเสมอครั้งนี้ก็เช่นกันชอยบอกว่าพลอยคุณเปรมของพลอยนี่เมื่อเป็นคุณพระขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างหรือเปล่าก็ไม่เห็นเปลี่ยนไปอย่างไรนี่ชอย ทำไมถึงเพิ่งมาถามฉันอยากรู้ว่าผู้ชายเขาเป็นอย่างไรเมื่อเป็นคุณพระเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นคุณพระได้เผื่อฉันได้เป็นพระเป็นพระยาขึ้นมาบ้างฉันจะได้ทำตัวถูกไ้ช้อยอะไรมาพูดช้อยนี่ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็ชัจะหลงจนเลอะไปซะแล้วผู้หญิงที่ไหนจะเป็นพระเป็นพรยาได้ฉันเคยเห็น แต่เป็นคุณเท่าแก่หรือเป็นเท้านางคนธรรมดาอย่างสูงก็เป็นคุณหญิงหรือเป็นท่านผู้หญิงหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเก้าจอมหม่อมห้ามผู้หญิงที่ไหนกันจะเป็นพระเป็นพรยาฉันไม่เชื่อหรอกอา้าบอกให้จริงๆกลับไม่เชื่อเดี๋ยวนี้นะนะมีคุณพระเป็นผู้หญิงตั้งสองคนแล้วละแล้วชอยก็เล่าข้อเท็จจริงที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งให้สุภาพสตรีคนใดเป็นคุณพระและมีราชทินานามว่าอย่างไรบ้างแล้วทาหน้าที่ราชการอะไรเล่าช้อยทําราชการอย่างผู้ชายธรรมดาอย่างนั้นหรอไม่ใช่หรอกคนละอย่างถ้าจะเรียกอย่างสมัยเราก็เห็นจะเป็นเจ้าจอมกระมังแล้วทาไมท่านไม่เรียกว่าเจ้าจอมทําไมจะต้องตั้งเป็นคุณพระฉันกระดากปากเรียกไม่ถอยลงเฮ้อ แม่พลอยนี่ก็ล้าสมัยอยู่ไม่ดีวันส่างฉันอยู่กับคนโบราณทุกวันซะอีกยังสมัยใหม่กว่าสมัยนี้นะ่ะท่านโปรดใครก็โปรดจริงๆไม่เหมือนแต่ก่อนและท่านก็ต้องยกย่องของท่านให้สูงเป็นพิเศษอย่างเจ้าจอมที่เราเคยรู้จักนั้นก็มีมากด่า ด, ดืนฟังดูมันก็ค่ําครึ้ล้าสมัยสมัยนี้ก็เลยต้องตั้งให้เป็นคุณพระให้ฟังดูผิดกว่าแต่ก่อนและบางทีเมื่อเริ่มมีคุณพระแล้ว จะเป็นอะไรต่อไปก็ได้ถ้าเป็นเจ้าจอมอย่างแต่ก่อนแล้วก็ตายตัวอย่างดีก็เป็นเพียงเจ้าจอมมารดาไม่มีทางจะรุ่งเรืองไปกว่านั้นได้ฉันไม่ค่อยเข้าใจหลอกช้อยท่านจะตั้งใครเป็นอะไรก็ช่างเถิดแล้วเสด็จของช้อยเป็นอย่างไรล่ะ เมื่อพลอยถามถึงเสด็จคือพระนางเธอลักษมีลาวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชอยก็บอกว่าท่านก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเอา้าก็ไหนฉันเคยได้ยินเ้าว่าสมัยนี้ท่านจะมีแต่องค์เดียวไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพลอยเคยได้ยินว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดูจะงอกเงยมากขึ้นเสียแล้ว ดูไปดูไปก็ทำท่าว่าจะหันไปหาแบบเก่าฉันก็เห็นว่าดีเหมือนกันนะรัววังจะได้คลึกคลื้นขึ้นเดี๋ยวนี้เงียบเหงาเหมือนป่าช้าน่ากลัวจะตายไปตั้งแต่ช้อยมาเกลิ่นข่าวเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะพรอยก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับข้างในของแผ่นดินใหม่อยู่เรื่อยๆจากหลายๆกระแสแต่ละคนที่มาบอกข่าว ก็มักจะพูดกันด้วยเสียงกระซิบกระซาบแล้วก็พูดไปในทํานองตื่นเต้นข่าวนั้นเกี่ยวกับคนนั้นขึ้นคนนี้ตกข่าวทรงพระคันข่าวทรงสถาปนาพระยศพระวรราชชายาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงพระบรมราชนินีระยะเวลานั้นก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆวันเดือนปีผ่านไปไม่หยุดยัง้งจนวัดนี้ ตาอ้นเข้าเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสสอบได้ปีแรกแล้วอีกระาวสองปีก็จะเรียนจบแล้วก็ได้กลับบ้านส่วนตาออดเรียนจบโรงเรียนที่อังกฤษและจะได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่อไปส่วนตาอ้อนนั้นเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบโรงเรียนในร้อยออกเป็นทหารประภัยก็เริ่มจะแตกเนื้อสาวขึ้นมาทุกวันทําให้พลอยต้องมองดูด้วยความเป็นห่วง และวันหนึ่งพลอยนั่งสางผมอยู่ที่หน้ากระจกในตอนเช้าหลังจากที่ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วตาของพลอยเหลือไปเห็นอะไรขาวๆติดอยู่ที่สีรัะพอยื่นหน้าเข้าไปมองใกล้กับกระจกและเอามือหยิบออกมาดูเมื่อเห็นแล้วพลอยก็ถึงกับต้องวางหวีแล้วก็นั่งมองหน้าตัวเองอยู่อีกนานเพราะสิ่งที่เห็นนั้นก็คือผมของตัวเองที่งอกอยู่สองเส้น ติดอยู่กับผิวหนังสูงกว่าขมับข้างขวาเล็กน้อยผมหงอกเพียงสองเส้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเลยแต่ก็เป็นสัญญาณอันแรกที่พลอยได้รับที่แสดงถึงความชราได้ก้าวย่างเข้ามาสู่ตนอยู่ทุกขณะจิตพลอยเห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้รู้สึกตัวทันทีว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางเดินแห่งชีวิตของตนนั้นจะเป็นทางเดินลง มากกว่าที่จะเป็นทางเดินขึ้นพลอยวีผมเสร็จแล้วก็เลือกสีเสื้อผ้าที่จะหยิบมานุ่งในวันนั้นด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้ พลอยและคุณเปรมมีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือและก็ทกเถียงกันอยู่หลายวันเรื่องนั้นก็คือวิชาชีพที่ตะออดควรจะเรียนเมื่อเรียนโรงเรียนธรรมดาจบเรียบร้อยแล้วคุณเปรมบอกว่าจะให้เป็นทหารไม่ได้เพราะอ้นเขาก็เป็นอยู่คนหนึ่งแล้วฉันมีลูกไว้เป็นทหารคนเดียวก็คงจะพอ พลอยก็บอกว่าถูกแล้วละคุณเปรมถึงแม้จะไม่มีตาอ้อนเป็นทหารคุณเพรมจะให้ตาออสเป็นแทนก็คงจะไม่สําเร็จคนอย่างตาออสไม่มีท่าทางหรือนิสัยที่จะเป็นทหารได้เลยหรอกเรื่องนั้นก็ช่างเถิดถ้าให้แกเป็นจริงๆแกก็คงจะเป็นไปกับเขาได้เอจะให้เรียนกฎหมายอีกคนก็จะไปซ้ํากับตาอัานและจะให้เรียนอะไรดีนะลูกคนนี้ ทำไมคุณเปรมไม่ถามเจ้าตัวเขาดูเองล่ะอืมก็ดีเหมือนกันแต่ฉันไม่ค่อยไว้ใจเลยนะลูกคนนี้ความคิดมันแปลกแปลกไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวมันจะไปเลือกเรียนวิชาวิวตฐานพิลึกพิลั่นเข้ามาจะเลยทํามาหากินไม่ได้พาพ่อแม่ต้องลําบากไปด้วยแต่แม่พลอยจะลองถามดูก่อนก็ได้นะแล้วอย่างไรบอกให้ฉันรู้ทีหลังทีนี้พลอยก็เลยมีหนังสือไปถามความสมัครใจนะคะ ว่าตาออสเนี่ยจะเรียนวิชาอะไรต่อไปในที่สุดพลอยก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าแม่ที่รักของลูกเรื่องวิชาของลูกที่แม่ถามมานั้นแต่แรกลูกเองก็ยังไม่ได้คิดเพราะนึกว่าทางบ้านจะบอกมาแม่ก็คงจะรู้แล้วว่าในเรื่องคิดอะไรต่ออะไรสำหรับการข้างหน้า ลูกเป็นที่พึ่งแก่ตัวไม่ได้เลยไม่เหมือนพี่อ้นกับพี่อัน้นซึ่งเขารู้ตัวเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กว่าเขาอยากเป็นอะไรสาหรับลูกเองรู้แต่เพียงว่าอยากเป็นลูกของแม่ไปตลอดอยากอยู่ใกล้ๆแม่และถ้าทำได้อย่างนั้นลูกก็คงจะไม่อยากทำอะไรอีกแต่คุณพ่อท่านคงไม่ยอมเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับจดหมายของแม่แล้วลูก ต้องใช้ความคิดอย่างมากมายกว่าที่เคยได้ใช้มาแต่ก่อนแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกลูกนั่งคิดนอนคิดอยู่ตั้งหลายวันก็คิดไม่ออกในที่สุดลูกก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าที่มาเมืองนอกกับเขาคราวนี้มาเรียนอะไรกันและในทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนกับใครมาตอบให้ดังๆว่ามาเรียนหนังสือเท่านั้นเองลูกก็มองเห็นทางข้างหน้าไปโดยจำใสได้ตลอดขอให้แม่บอกคุณพ่อด้วยว่า ลูกตกลงใจที่จะขึ้นมาหาวิทยาลัยไปเรียนหนังสือถ้าท่านไม่พอใจในคำนี้แม่ก็บอกท่านก็นแล้วกันว่าลูกสมัครใจเรียนอักษรศาสตร์ฝรั่งเขาเรียกว่า l i t r a t u r เป็นวิชาเกี่ยวกับการอ่านอ่านเขียนเขียนหนังสือคนทางนี้เขาเห็นว่ายากพอดูแต่ก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะลูกชอบทางนี้อยู่แล้วทีนี้พอพอได้รับจดหมายตอบจากตาออด ก็รายงานคุณเปรมตามที่ตาออดสั่งคุณเปรมได้ยินแล้วก็เลิกคิ้วบอกว่าฉันว่าเลยไม่ลหล่บวายรูกคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นๆมีอย่างเหรอจะไปเรียนหนังสือเขียนเขียนอ่านๆกลับมาจะไปเป็นอะไรได้นอกจากเสมียนเอต์แต่เห็นว่าตาออดจะขึ้นไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยนะคุณเปรมฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกแต่คุณเปรมเป็นคนบอกฉันเองว่าที่นั่น เขาสอนวิชาชั้นสูงเป็นยอดเยี่ยมบางทีหนังสือที่ตาออสแกจะไปเรียนน่าจะสูงกว่าหนังสือชั้นเสมียนกระมังเขาเรียกว่าอักรษรศาสตร์หรืออะไราศาสตร์ก็ไม่รู้มีภาษาฝรั่งกำกับมาด้วยฉันเองก็อ่านไม่ออกแต่ฟังดูมันก็ขุขระดีอยู่นะพรอยพูดแล้วก็ยืนน่นหนังสือตาออสให้คุณเปรมดูตรงที่เขียนภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะคะคุณเปรมรับไปดูแล้วก็ถอนใจใหญ่ ฟังความลูกคนนี้ดูท่ามันจะรักความสบายมากกว่าอย่างอื่นถึงความรู้จะสูงยังไงแต่ถ้านั่งอยู่กับหนังสือวันยังค่ำมันก็เอาสบายอยู่นั่นเองกลับมาฉันก็นึกไม่ออกว่าจะให้ไปทำงานกระทรวงไหนเออคุณเปรมเวลาตาออดกลับมาแล้วทำไมคุณเปรมไม่เอาไว้ที่กระทรวงวังใกล้ๆ ก, ก, กับคุณเพรมสัคนละ่ะจะได้แทนตัวคุณเปรมเมื่อแก่แล้ว ที่กระทรวงฉันต้องฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่เด็กถ้าตาอ๋ อ, อจะอยู่กระทรวงวังก็ควรจะเข้าเสียแต่แรกไม่ควรจะไปเมืองนอกให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองคุณเพรมอย่าเพิ่งประมาทเด็กคุณเพรมเคยบอกฉันเองว่าในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมีใช่หรือถูกละฉันพูดเองแล้วยังไงหรือไม่พรอยเอา้าคุณเรมก็แม้แต่ในหลวงท่านโปรดอะไรเล็กๆน้อยๆ คุณเปรม ย, ยังทําตามเพียงแต่ท่านโปรดให้ผู้หญิงนุ่งพ้สิ้นคุณเปรมยังมาสั่งให้ฉันนุ่งก็ในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมากกว่าอย่างอื่นเท่าที่ฉันรู้มานะ่ะคุณเปรมจะถวายลูกที่รู้หนังสือดีๆให้ท่านทรงใช้สักคนไม่ได้ที่หรือฉันว่าถ้าตาออดเข้าทําราชการถูกช่องดีๆก็อาจจะดีกว่าคนอื่นเสียอีกนะแล้วก็จะเป็นเกียรติยศแก่คุณเปรมเองว่าได้สนองพระเดชพระคุณท่าน ส่งลูกไปเรียนมาให้ท่านใช้ได้ปรากฏว่าคุณเปรมเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีนะคะเมื่อได้ยินคําพูดและก็เหตุผลของพลอยนี่แม่พลอยพูดจริงๆหรือว่าพูดเพราะอยากจะเข้าข้างลูกแม่ก็ได้กันทั้งสองอย่างนั่นแหละคุณเปรมฉันว่าแม่พลอยพูดเข้าข้างลูกก็จริงแต่ก็มีอะไรอยู่ในนั้นมาก ฉันยิ่งคิดไปก็ยิ่งเห็นดีด้วยเอาเถอะเป็นอันว่าตกลงแม่พรอยช่วยบอกตาออสทีว่าฉันไม่ขัดข้องหลังจากที่คุณเปลนได้ตกลงให้ความเห็นชอบและพ่อยได้ตอบตาออสไปแล้วตะออสก็เงียบไปพักหนึ่งแต่ในที่สุดก็เขียนมาบอกว่าตนได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้วโดยตาออสเขียนมาเล่าให้ฟังว่า การเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยและที่โรงเรียนนั้นผิดกันราวกับหน้ามือและก็หลังมือทีเดียวเมื่ออยู่โรงเรียนเขาปกครองอย่างเด็กๆไม่มีเวลาที่จะปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองหรือให้ทำอะไรตามใจตัวเองได้การกระทำทุกอย่างนั้นเป็นไปตามข้อบังคับและตามเวลาที่เขากำหนดให้ทำแต่พอขึ้นมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาก็เริ่มเลี้ยงเราอย่างผู้ใหญ่ทันที มีห้องนอนห้องนั่งเล่นจับไว้ให้เฉพาะแล้วก็มีบ่าวประจำคนหนึ่งการเรียนนั้นมีอาจารย์คอยควบคุมแต่เขาก็ควบคุมอย่างผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นแต่เพียงแนะนำว่าควรจะอ่านหนังสืออะไรบ้างควรจะฟังเลคเชอร์ที่ไหนบ้างเมื่อเขาแนะนำแล้วเราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้สุดแพ้แต่ตัวเราจะเป็นใหญ่การเล่นกีฬาต่างๆก็เช่นเดียวกันสุดแล้วแต่ความสมัครใจ ไม่มีใครบังคับลูกขึ้นมาจากโรงเรียนใหม่ๆยังเป็นเด็กเต็มทีตอนแรกก็รู้สึ ก, กขรุขระอาการอยู่เพราะยังทำเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเมื่อขึ้นไปใหม่ๆพบแต่แก่เฝ้าประตูวิทยาลัยที่ลูกอยู่เห็นแกภูมิฐานดีไปพูดจาขอรับขอร้องกับแกอยู่นานจนแกต้องห้ามบอกว่าเป็นเรื่องของแกจะต้องพูดขอรับกับเราเราจะไปพูดกับแกไม่ได้เพราะเราอยู่ในฐานะเป็นนายแกอีกทีหนึง่งทีแรก ลูกก็นึกอายเห็นว่าตัวเองไปทําห้าแต้มเข้าไว้แต่เจ้าควรใช้ประจําห้องที่อยู่เขาจะไปรู้มาจากไหนก็ไม่ทราบได้เขาเลยมาอธิบายให้ฟังว่าไม่ต้องวิตกอะไรเพราะการทำเปินที่นี่นั้นเขาทํากันเป็นประจําถึงต้นปีจะมีคนขึ้นมาอยู่ใหม่ทีหนึ่งก็ต้องมีคนขึ้นมาทําอะไรเปิลๆทุกครั้งไปและไม่ใช่ทําคนเดียวแต่ทํากันเป็นร้อยๆ จากนั้นตตอ้อยก็เล่าถึงคนใช้นะคะบอกว่าคนใช้ที่เขาให้อยู่ประจําห้องนี้มีหน้าที่ทําที่นอนทําความสะอาดห้องเอาเสื้อผ้าไปซักกรีดตั้งอาหารเช้าแล้วก็ตั้งน้ําชาตอนบ่ายถ้าเรามีแขกมากินข้าวมื้ออื่นๆในห้องเช่นกลางวันหรืออาหารกลางคืนแกก็รับใช้เดินโต๊ะให้เสร็จถ้าหากว่าจะกินข้าวค่ําเป็นการเต็มยศแต่งอกแข็งตามธรรมเนียมอังกฤษอีตาคนใช้คนแก่ แกก็แต่งอกแข็งมาเดินโต๊ะให้ถูกเรื่องกันมีเพียงเท่านี้แม่ก็จะเห็นว่าแกมีประโยชน์นักหนาอยู่แล้วแต่จะว่าไปแล้วประโยชน์ของแกยังมีอีกมากมายเพราะแกเป็นคนคอยแนะนําให้ความเห็นว่าเราควรจะทําอะไรบ้างและควรจะทําเมื่อใดเวลาใดแล้วก็คอยบอกระเบียบประเพณีต่างๆที่เขาถือกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้วิธีที่แกให้คําแนะนํานั้นก็ทําอย่างเรียบร้อย ไม่ทำให้เราเห็นว่าแกทะลึง่งส่วนมากแกจะไม่พูดจนกว่าเราจะถามแต่บางทีแกก็พูดจาเปรียบเปลยเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเป็นตัวอย่างจนเราเข้าใจว่าแกไม่อยากเห็นเราทำเช่นนั้นแกคอยสอดส่องดูแลแม้แต่การเรียนหนังสือการเล่นกีฬาการแต่งตัวเป็นต้นว่าในเวลากลางคืนแกก็หยิบหนังสือมาวางไว้ให้ที่โตะ๊ะ หยุดตะเกียงอ่านหนังสือไว้ให้แล้วก็คอยเดินกรายไปมาจนกว่าลูกจะนั่งลงดูหนังสือแกจึงจะกลับที่โรงเรียนเก่าของลูกนั้นอยู่ไกลแม่น้ำจึงไม่มีตีกันเชียงเรือแข่งแต่พอขึ้นมาอยู่มหาวิทยาลายัยเห็นโทษตีกันเชียงกันมากลูกก็อยากจะลองบ้างแกก็ดีใจสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นลูกมารู้ทีหลังว่า แกเป็นนักกันเชียงที่เก่งที่สุดในหมู่คนใช้ของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเวลาลูกจะไปไหนที่มีการงานถ้าบอกให้แกรู้แกก็เตรียมเสื้อผ้าที่จะแต่งไว้ให้ถ้าไปเปลี่ยนของแกแม้แต่ชิ้นเดียวแกก็แสดงความเสียใจที่ผิดพลาดขอโทษขอโพยจนเบารู้ว่าแกน้อยใจแต่ในที่สุดลูกก็รู้ว่าของที่แกเตรียมไว้ให้นั้นถูกกาละเทสตีกว่าอย่างอื่น ทาแต่งของแกครบชุดก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าไม่มีผิดพลาดแม่ยังอาจไม่รู้ว่าในเมืองอังกฤษนั้นเขามีภาษาสองภาษาและสำเนียงก็ต่างกันมากคือเป็นภาษาผู้ดีพูดภาษาหนึ่งภาษากุยพูดอีกภาษาหนึ่งภาษากุยนั้นถ้าได้ยินตอนแรกแทบจะฟังไม่ออกทีเดียวแต่เมื่อคุ้นแล้วถึงจะเข้าใจได้บ้าง ในเมืองไทยเราถ้าคนไทยจะพูดด้วยสำเนียงที่ผิดเพี้ยนกันก็เป็นเพราะอยู่ห่างต่างท้องที่กันแต่ในเมืองอังกฤษนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านติดติดกันแต่ถ้าเป็นคนต่างชั้นเขาก็ยังพูดภาษาคนละภาษาคนใช้ประจําห้องที่ลูกพูดถึงนั้นเวลาแกพูดกับเราพวกนักเรียนมหาวิทยาลายัยแกก็พูดภาษาผู้ดีสำเนียงแกเพราะกว่าผู้ดีบางคนที่ลูกรู้จักซะอีก แต่ลูกเคยได้ยินแกพูดกับพวกคนใช้ด้วยกันแกก็กลับไปใช้ภาษากุยไม่มีสำเนียงผู้ดีติดเลยอย่างนี้ลูกเห็นว่าแปลกมากเพราะเขาตั้งใจรักษาของที่เป็นของเขาอย่างคงเส้นคงวาไม่ยอมทิ้งเสียง่ายๆการเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ขอแม่อย่าได้เข้าใจว่าลูกอุสาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนความรู้จากบ่าวฝรั่งที่เล่ามาให้ฟัง เพราะเห็นว่ามันแปลกดีแต่การหาวิชาความรู้ที่นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาเอาเองไม่มีใครมาคอยจำจีจำชัยถ่ายทอดความรู้ให้ถ้าเราอยากได้ความรู้จากหนังสือตำรับตำราเขาก็มีเอาไว้ให้พร้อมและถ้าจะลงนั่งอ่านกันจริงๆอีกสา0 0 0รอปีก็อ่านกันไม่หมดแต่ลูกเห็นว่าแหล่งความรู้อันสาคัญที่จะหาที่นี่ได้ ก็คือการได้เข้าสมาคมกับคนฉลาดได้พบปะพูดจาและถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้กันสิ่งเหล่านี้หาจากตํำรับตําราที่ไหนไม่ได้และจะหาได้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะมหาวิทยาลัยนั้นเป็นที่ชุมนุมคนฉลาดคนมีความรู้เอามาไว้ใกล้ๆกันเรามีโอกาสเข้าหาพบปะกันได้ง่ายถ้าไม่เข้ามหาวิทยาลัยโอกาสนี้ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นบุญของลูกที่ได้เข้ามาอยู่ในที่นี้ทำให้เห็นโลกกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนอกจากนี้กระออทบอกว่าดีใจมากเพราะการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาขั้นสุดท้ายตามหลักสูตรต้องเรียนสามปีตอนนี้อยู่มาได้เกือบครึ่งปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ในราวๆสองปีครึ่งเท่ากับว่าตาออดก็จะเรียนจบแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพลอยได้อย่างเดิมลูกคิดถึงแม่คิดถึงคุณพ่อและคิดถึงบ้านอยู่ทุกวันตั้งแต่แรกมาคิดถึงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เท่านั้นพี่อันเขาเรียนเกินลูกไปปีหนึ่งเพราะเหตุนั้นเขาคงจะได้กลับถึงบ้านก่อนลูกตั้งปี ลูกรู้สึกอิจฉาเขามากแต่ได้ยินเขาพูดว่าอยากจะเรียนต่อไปอีกแต่ถึงคราวเข้าจริงเขาจะเรียนหรือไม่ก็ไม่แน่ลูกนึกว่าคงจะเป็นเพราะเพื่อนฝูงเขาชักชวนกันมากกว่าพี่อั้งมีเพื่อนแปลกๆที่ฝรั่งเศสเป็นคนไทยที่มีความคิดแปลกๆ ก, ก็มีเป็นยวนหนุ่มๆที่มีความคิดรุนแรงก็มีหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นฝรั่งผอมๆหัวยุ่งตาลึกกลวง พูจาลึกซึ้งจนลูกฟังไม่เข้าใจลูกเคยถามพี่อันว่าคนพวกนี้ดีอย่างไรถึงได้รักนับถือกันนะักพี่อันตอบว่าคนพวกนี้มีความคิดไกลมีสายตาไกลให้ความรู้ความคิดเขาได้มากและคนพวกนี้ต่อไปจะมีความสำคัญมากลูกจะซักถามต่อไปอีกก็เกรงใจจึงได้แต่นิ่งดูเข้าไปก่อนแม่อย่านึกว่าลูกเก็บเอาเรื่องของพี่มาฟ้อง หรือมาพูดให้แม่ต้องวิตกกังวลเลยแต่ลูกเห็นว่าอย่างพี่อั้นนี้ยิ่งได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเสียได้เร็วเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดีสําหรับตัวพี่อั้นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณเปรมเห็นหนังสือของตออาอัศบับนี้ก็บอกกับพลอยว่าแม่พลอยอย่าไปเก็บที่ปากตาอัมาคิดให้ยุ่งใจไปหน่อยเลยนะอั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเรียนหนังสือก็ดีสอบก็ไม่เคยตก อัดรถก็ใช้ไม่เปลืองตาอั้นเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังตาออสมันคงจะล่องลอยรักแต่สบายพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ามันก็เลยเหมาว่าพี่ชายฟุ้งซ่านใจฉันในเห็นว่าตาออสซะอีกจะต้องคอยดูให้ดีๆไม่คอยกดๆไว้บ้างฉันว่าอาจจะไปกันใหญ่พอคุณเปรมพูดแบบนี้พลอยก็ได้แต่นิ่งละค่ะเพราะว่าในความรู้สึกอันแท้จริงของพลอยเห็นว่า ตาอัานเป็นลูกที่เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจนบางครั้งพลอยแทบจะจาไม่ได้ว่าเป็นลูกคนเก่าส่วนตาออดยังเป็นตาออดคนเดิมเป็นตาออดที่พลอยรู้จักดีไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยตั้งแต่ลูกไปนอกพลอยก็ได้แต่นั่งนับวันนับคืนคอยให้ลูกกลับ ช่วงแรกก็รู้สึกว่าเวลามันข่างผ่านไปช้าเหลือเกินนะคะพอเวลาล่วงเลยไปมากแล้วพอที่จะนับวันกลับได้พลอยก็เริ่มนับวันกลับของลูกและวันนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาพลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นพลอยเริ่มเตรียมการที่จะรับลูกกลับบ้านหาเสื้อผ้าที่นอนหมอนบุ้งไว้ให้ แล้วก็ตกลงกับคุณเปรมว่าจะแบ่งห้องบนตึกให้ลูกอยู่คนละห้องต่อไปเมื่อมีเย่ามีเรือนก็จะปลูกเรือนให้อยู่ในบริเวณบ้านตงหารแต่ก่อนที่ลูกที่เมืองนอกจะกลับต่ออ้นซึ่งสอบได้แล้วก็ออกเป็นนายทหารนะคะก็มารายงานบอกว่าจะถูกส่งไปรับราชการกรมทหารที่จังหวัดอายุทยาพรอยก็น่าเสียลงทันทีเพราะว่าพอลูกที่เมืองนอกจะกลับบ้าน ลูกที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างตโอ้นก็มีเหตุจำเป็นจะต้องจากไปพลอยไม่สบายใจที่ตโอ้นจะต้องไปอยู่ห่างไกลพ่อไกลแม่ปกครองตัวเองเป็นอิสระเพราะตโอ้นเพิ่งอายุยี่สิบสำหรับพลอยยังเห็นว่าเป็นเด็กนักอ้นลูกแม่อ้นไปเสียอีกคนแล้วแม่จะทำอย่างไรล่ะตโอ้นก็หัวเราะ อ, อย่างอารมณ์เย็นคุณแม่พูดเสียราวกับว่าลูกไปไหนไกล อุนไปอยู่แค่อยุทยานี่เองขึ้นรถไฟประเดี๋ยวก็ถึงคิดถึงกันกลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นก็เถิดถอยพูดแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วนานหนักหนาที่สมัยหนึ่งเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งจบโรงเรียนในร้อยออกมาเป็นนายทหารมีความหวังมีความฝันแต่เด็กหนุ่มคนนั้นต้องไปอยู่คนเดียวไกลจากพี่น้อง ความผิดพลาดต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ทำให้ความฝันและก็ความหวังหลายอย่างต้องพังทลายลงบางทีถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ต้องไปอยู่ในต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นไม่ต้องไปปกครองตัวเองตั้งแต่อยู่ในวัยที่ยังเป็นเด็กบางครั้งเหตุการณ์ทั้งหลายแหล ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่ได้เป็นมาแล้วพรอยดูหน้าตาอ้นแล้วก็ใจหายแม่เป็นห่วงอ้นเหลือเกินใจจริงไม่อยากจะให้ไปเลยจะทำย่างไรได้เล่าคุณแม่เมื่อออกรับราชการนายท่านสั่งให้ไปไหนลูกก็ต้องทำไปตามคำสั่งเพราะว่าลูกเป็นทหารมีระเบียบ ว, วินยัยหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริง ลูกเคราะยังดีที่ไปเพียงแค่กรุงเก่าเพื่อนฝูงที่เรียนมาด้วยกันบางคนต้องไปถึงพิษณุโลกหรือว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเป็นกองเขาก็ยังต้องไปคุณแม่อย่าห่วงลูกนักเลยลูกพอที่จะเลี้ยงตัวได้แล้วพลอยฟังแล้วก็สะดุง้งโอนเชื่อแม่เถอะอย่าประมาทถึงลูกจะโตแล้วก็ยังเป็นหนุ่มยังเห็นโลกน้อยนะ อย่าเพิ่งนึกว่ารู้อะไรไปเสียหมดมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาก็ขอให้ปรึกษาหารือกับแม่ก่อนอย่าใจเร็วด่วนได้แม่รักอ้นอยากให้อ้นดีเพราะเหตุนี้หรอกแม่จึงได้เป็นห่วงมีอะไรก็ขอให้บอกกันก่อนอย่าไปทำตามใจตัวตาอ้นก็รับคําแต่โดยดีเหมือนอย่างที่เคยทำมาทุกครั้งที่พลอยสั่งสอนนะคะ คือเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพรอยว่าอย่างไรแตโอ้นก็จะเชื่อฟังจากนั้นอีกสิบกว่าวันต่อมาตาอ้นก็มาลาไปรับราชการที่อยุธยาพรอยก็ให้ศีลให้พรด้วยความจริงใจขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่ทีนี้พอตาอ้นไปแล้วก็เหลือแต่ประภัยซึ่งบัตรนี้กลายเป็นของกลางระหว่างคุณอุ่นและพรอยที่จะต้องแบ่งกันรักเพราะว่าประภายนั้น เป็นหลานคนโปรดของคุณอุ่นแล้วก็มักจะไปครุกอยู่กับคุณอุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งรอนอนรอให้ตาอั้นเรียนสําเร็จกลับบ้านอยู่นั่นเองคุณเปรมกลับจากที่ทํางานเดินหน้าบ้านขึ้นมาบนตึกเห็นพลอยกําลังนั่งเย็บเสื้อชั้นในให้ตาอั้นใส่อยู่ก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ทักว่าคุณหญิง ทำอะไรอยู่พรอยเหลวมองรอบตัวไม่รู้ว่าคุณเปรมหมายถึงใครคุณหญิงเย็บเสื้อให้ใครพรอยงงหนักขึ้นไปอีกฉันน่ะหรอเป็นคุณหญิงคุณเปรมก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาเย้ากันเล่นไม่บอกกล่าวกันซะก่อนไม่เดี๋ยเย้ยรอกแม่พรอยอีกน้อยแม่พรอยก็จะเป็นคุณหญิงจริงๆฉันก็ลองเรียกดูให้คุ้นๆไว้ก่อน ต่อไปถึงฉันจะไม่เรียกคนอื่นเขาก็คงจะเรียกเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเถิ ด, ดคุณเปรมนี่คุณเปรมจะได้เป็นพญาหรือนี่ฉันดีใจจริงๆคุณเปรมพยักหน้ายิ้มกับพลอยฉันจะได้เป็นในงานฉัตรมงคล น, นี้ลหละอีกไม่กี่วันบรอกดีจริงฉันเห็นจะต้องเรียกคุณเปรมว่าเจ้าคุณบ้างละ่ะเขานี้อย่ามาขอกันเลยฉันไม่ยกให้หรอก ถ้าจะให้ฉันเป็นคุณหญิงคุณเปรมก็ต้องเป็นเจ้าคุณด้วยจะปล่อยให้ฉันเป็นคุณหญิงเร่ร่าไปคนเดียวฉันไม่ยอมหรอกนะและคุณเปรมได้เป็นพยาอะไรพยาบทมานบำรุงฟังดูก็เพราะดีนะฉันลองเซ็นชื่อดูแล้วก็สวยดีพรอยก้มหน้าลงยิ้มกับเสื้อชั้นในที่กำลังเย็บอยู่นึกรักเอ็นดูคุณเปรมเอามากๆเพราะคุณเปรมขณะนี้ แสดงกิริยาอาการเหมือนกับเด็กๆที่ดีใจเมื่อได้ของเล่นใหม่คุณเปรมสุดตัวลงนั่งข้างๆชิดกับตัวของพลอยแล้วก็พูดว่าแม่พลอยดีใจมากไหมโท่คุณเปรมถามได้ผัวได้เป็นพรยาทั้งคนใครบ้างจะไม่ดีใจฉันไม่เคยนึกหรอกนะว่าฉันจะมีวาสนาถึงเพียงนี้แม่พลอยคอยดูไปเถิด ฉันจะทําทุกอย่างให้แม่พลอยมีวาสนายิ่งกว่านี้ไปอีกที่ฉันทํามาทั้งหมดนี้ก็เพราะแม่พลอยฉันอยากให้แม่พลอยมีหน้ามีตาภูมิใจที่เลือกผัวไม่ผิดลําพังตัวฉันเองก็ไม่สู้อะไรหรอกเกิดมาชาติหนึ่งได้เป็นผัวแม่พลอยก็ดีถมไปแล้วทุกอย่างที่ฉันทําเป็นเรื่องของแม่พลอยทั้งนั้นอือฮึโอโหคุณเปรมนี่ก็พูดแบบนี้พลอยก็ละลายแล้วคะ่ะ คุณเพรมี่ปากหวานไม่หายฉันรักมาหลายสิบปีแล้วไม่ต้องมานั่งเกี้ยวฉันบ่อยๆหรอกถ้าฉันไม่เกี้ยวแม่พลอยแล้วจะให้ฉันไปเกี้ยวใครคุณเปรมตอบพลางยกมือลูบหลังพลอยเบาๆดูคุณเปรมสิเดี๋ยวเด็กๆมันเห็นฉันอายตายพลอยห้ามแต่แทนคําตอบคุณเปรมกลับเอียงหน้าเข้ามาจูบพลอยที่แก้มเบาๆทีหนึง่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินร้องเพลงเบาๆในลําคอ เข้าไปผลัดเครื่องแต่งตัวอาบน้ำในห้องทิ้งปล่อยให้นั่งหน้าเป็นสีชมพูเรื่อๆด้วยความอายอยู่คนเดียวในที่สุดข่าวที่คุณเปรมได้เป็นพรยาก็แพร่หลายโดยทั่วไปทำให้เกิดความยินดีในบรรดาญาติมิตรทั่วกันคุณอุ่นเอาแหวนทับทิมเม็ดใหญ่ขึ้นมามอบแก่คุณเปรมเป็นของขวัญบอกว่าเป็นแหวนเจ้าคุณพ่อ ที่ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเจ้าคุณพ่อที่ได้เป็นพยาแต่เมื่อดูไปแล้วมองไม่เห็นทางว่าจะเป็นได้สักคนจึงยกให้แก่เขยที่ได้เป็นพยาแทนคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มต่างมาแสดงความยินดีกันถึงบ้านหลวงโอสถนั้นเรียกพลอยว่าคุณหญิงหน้าเฉยตาเฉยทำให้พลอยรู้สึกกระดากชอยรู้ข่าวก็รีบออกมาหาจากในวัง พอเข้าประตูบ้านก็ตะโกนถามเด็กจนพลอยได้ยินว่าคุณหญิงอยู่ไหมพอขึ้นมาบนตึกลงนั่งแล้วก็พูดว่าคุณหญิงเจ้าขาอีฉันไหวเจ้าค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวขอพึ่งบุญบา ร, รมีคุณหญิงด้วยชอยนี่ก็บ้าไม่หายเสียเลยไม่อายเด็กๆมันบ้างฉันดีใจจริงๆนะแม่พลอยที่ดีใจมากก็เพราะว่าฉันน่ะเคยนึกประมาทพ่อเปรมเขาไวมาก พูดกันตามจริงฉันไม่เคยนึกหรอกว่าจะได้เป็นถึงพน้ำพระยาแต่พอเขาได้เป็นเข้าจริงฉันก็เลยดีใจจริงๆทีเดียวขอบใจละช้อยเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเปรมเขาให้อย่าเลยพลอยไม่ต้องบอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันเอาหน้าพลอยจำได้ไหมเมื่อเรายังเป็นเด็กรุ่นๆอยู่ในวังเราเคยพูดถึงการข้างหน้าฉันบอกพลอยว่าอย่างเรานั้นถ้าจะเป็นคุณหญิงก็เป็นได้ เดีย๋ยวนี้พลอยก็ได้เป็นแล้วฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรหลอกชอยที่ได้เป็นก็เพราะคุณเปรมเขาดีถ้าได้กับคนอื่นก็ไม่แน่นะนั่นสิถ้าได้กับอีกคนหนึ่งป่านนี้ก็ยังเป็นเมียคุณหลวงดักดานอยู่นั่นเองนี่ก็ออกจากราชการแล้วคุยว่าจะค้าขายจะไปได้สักกี่น้าชอยพูดถึงพี่ชายตัวเองอย่างขาดความเลื่อมใสชอยก็ชอบไปเอาเรื่องโบราณมาพูด พี่เนื่องออกจากราชการแล้วรึฉันก็เพิ่งรู้ออกไม่ได้ร่วมปีแล้วแหละฉันก็ลืมบอกพลอยไปลูกเต่าก็ออกจากพเพราะพรังเดี๋ยวนี้เขาว่าจะขึ้นไปค้าขายที่บ้านเมียเขาที่ปากน้ําโพฉันน่ะไม่เชื่อหรอกคาถาที่ว่าออกจากราชการมาค้าขายฉันว่าขี้เกียด น, นั่นแหละมากกว่าคนเรานี่ก็แปลกนะชอยบางเวลาก็ดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆ ก, กัน แต่พอห่างกันไปนิดต่างคนก็ต่างไปนานเข้าก็แทบจะจำกันไม่ได้ฉันเคยดูลอยกระทงเดือนสิบสองต่างคนต่างลอยกระทงนั้นก็ลอยเปรปะไปตามกระแสน้ำประเดี๋ยวก็มากระทบกันเข้าแล้วก็แล่นคู่กันไปอีกประเดี๋ยวก็ลอยห่างกันไปทุกทีจนหายวับไปด้วยกันทั้งคู่ชีวิตคนเราดูดูไปก็คงจะเหมือนอย่างนั้น แต่ความตื่นเต้นยินดีในยศวาสนาของคุณเปรมนั้นมีได้ทำให้พลอยลืมนับวันที่จะคอยให้ลูกกลับครนี้คือความสุขที่แท้จริงของพลอยและวันหนึ่งพลอยก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากตาอัน้นเขียนมาจากฝรั่งเศสซึ่งเมื่อพลอยได้อ่านจดหมายฉบับนั้นก็รู้สึกดีใจเหมือนกับใครเอาน้าทิพมาชโลมหัวใจ อ่านเขียนมาว่ากลับเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกสอบไล่กฎหมายได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วลูกจริงได้ซื้อตั๋วเรือเพื่อจะได้กลับบ้านกะว่าจะถึงบ้านในปลายเดือนหน้าครูบาอาจารย์ตลอดจนเพื่อนฝูงของลูกเห็นว่าลูกควรจะเรียนต่อหาความรู้ชั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ลูกเห็นว่า ลูกควรจะรีบกลับบ้านเพื่อทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองของเราต่อไปเมืองไทยของเรายังล้าหลังอยู่มากต้องการคนมีความรู้เข้ามาสร้างความเจริญให้ลูกก็ได้ร่ำเรียนมาพอสมควรแล้วจึงจะรีบกลับบ้านไม่อยากให้ช้าเกินไปเพื่อจะได้ทันทำการงานหลายอย่างที่ลูกตั้งใจไว้ว่าจะทําขืนปล่อยช้าไว้เวลาก็จะล่วงเลยไปเรื่อยๆยากที่จะแก้ไขสิ่งใด ที่ควรจะทำก็คงจะต้องรีบทำเสียลูกอยากจะกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบด้วยว่าลูกจากบ้านมาหลายปีระหว่างนี้ก็เติบโตขึ้นจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากว่าลูกกลับมาถึงบ้านแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้อภัยลูกและพยายามเข้าใจ เพราะทุกอย่างย่อมมีเหตุผลที่จะเข้าใจได้และเมื่อเข้าใจได้แล้วก็อาภาัยให้กันได้ทั้งสิ้นเอาละสิจดหมายของตาอั้นดูแปลกๆนะคะพลอยก็งงแต่คุณเปรมนั้น ดูเหมือนว่าจะดีใจจนลืมงงลืมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ลืมแปลกใจในในยะที่ซ่อนไว้ในจดหมายของตาอัน้นพรอยคุยกับคุณเปรมว่าอ่านหนังสือตาอัน้นแล้วไม่ค่อยเข้าใจ พลอยรู้สึกว่าตาอันเขียนบราวกับว่าจะเข้ามาปกครองเมืองไทยเสียคนเดียวฟังดูชอบกลนเหมือนกับมีอะไรซ่อนเอาไว้ฟังไม่ออกแล้วพลอยก็ถามความเห็นของคุณเปรมว่าอ่านจดหมายของลูกฉบับนี้แล้วคิดเห็นเช่นไหร่ตรงกันข้ามนะคะคุณเปรมเนี่ยพอใจโดยบอกว่า อันเขาพูดอย่างคนฉลาดคนมีความรู้เขาก็พูดจากันอย่างนั้นล่ะแม่พลอยอย่าคิดมากไปเลยนาะคอยดูไปเถอะฉันทํานายเอาไว้ว่าลูกของเราคนนี้จะต้องเป็นใหญ่เป็นโตวันหนึ่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ฟังดูเขื่องๆจนฉันชักจะกลัวแล้วล่ะนะคุณเพรมฮผู้หญิงแล้วก็เป็นเสีอีแบบนี้ล่ะ มีลูกก็อยากจะเอาไว้เล่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาเพราะลูกโตขึ้นมามีความคิดมีปัญญาของตัวเองก็เสียอกเสียใจตีโพยตีภายไปต่างๆนาน า, นาถ้าเก็บลูกให้แบเบาะอยู่ได้ไม่รู้จักโตก็คงจะเก็บเอาไว้อย่างฉันเนี่ยเห็นลูกเติบโตมีปัญญามีความคิดฉันก็ยิ่งดีใจและที่เราลงทุนส่งลูกไปเรียนนอกก็เพราะอยากให้ลูกเฉลียวฉลาดกว้างขวาง ใจฉันอยากจะให้ลูกดีกว่าตัวเมื่อเขากลับมาจากนอกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เข้ากับเขาได้ตั้งแต่ฉันอยู่กับแม่พลอยมาฉันไม่เคยเข้ามายุ่งกับการบ้านเลยแต่คราวนี้เนี่ยฉันขอยุ่งสักนิดเถอะเราอยู่กินกันมาแบบโบราณเคยอย่างไรก็เคยอย่างนั้นฉันว่าต่อไปนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงซะบ้างลูกๆที่กลับมาจากนอกจะได้สบายฉันว่า ฉันจะให้เขาทำห้องน้ําเติมอีกห้องหนึ่งบนตึกนี้และต่อไปถ้าจะกินข้าวฉันจะลงไปนั่งกินที่โต๊ะข้างล่างไม่นั่งกับพื้นกินข้างบนอย่างแต่ก่อนเวลาลูกกลับมาจะได้กินโต๊ะพร้อมๆกันและก็ขอให้แม่พลอยกินด้วยครอบครัวฝรั่งเขาก็ทำกันอย่างนั้นและตั้งแต่นั้นมานะคะคุณเพรมก็เริ่มซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงตึกเพื่อที่จะรับลูก แล้วก็สั่งให้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างตลอดจนติดพัดลมเพราะกลัวว่าลูกกลับมาจากนอกเนี่ยจะร้อนพลอยก็ตามใจคุณเพลมทุกอย่างเพราะถือว่าคุณเพลมย่อมจะรู้ดีกว่าในเรื่องเหล่านี้และว่าที่จริงพลอยก็รู้สึกดีใจที่เห็นคุณเพลมตื่นเต้นกับการที่ลูกจะกลับบ้านแล้วก็หันมาสนใจเรื่องทางบ้านคุณเปมนั้นเป็นคนที่ทาอะไรก็ทาจริงนะคะพอปักใจว่า จะเตรียมรับลูกกลับจากเมืองนอกคุณเปรมก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้แก่การนี้แล้วก็ยกเลิกของเก่าๆที่เคยทำมาในบ้านหลายอย่างคุณเปรมตั้งระเบียบขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อหาของเอามาใช้ใหม่ก่อนที่จะได้รับข่าวเพิ่มเติมจากตาอัน้นพรอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสฉบับหนึ่งซึ่งแทนที่จะทาให้พรอยเนี่ยเข้าอกเข้าใจตาออส หรือว่าเข้าใจต่อันมากขึ้นกลับทำให้พลอยรู้สึกยิ่งแปลกใจหนักขึ้นไปอีกยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกนะคะโดยตะออสบอกว่าลูกได้ข่าว่าพี่อันเขาจะกลับบ้านเร็วๆนี้ส่วนลูกเองจะต้องอยู่ไปอีกปีเสษคิดถึงเรื่องพี่อันกลับบ้านแล้วลูกก็เป็นห่วงแม่เพราะพี่อันเขาไม่เหมือนแต่ก่อน ขอให้แม่ทำใจให้ดีๆไว้พี่อั้นเ้ามีอะไรใหม่ๆมาก็ขออย่าได้ตกใจลูกจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเรื่องของพี่อั้นเขาเขาก็ควรจะบอกพ่อแม่เอาเองแต่ลูกก็อดห่วงแม่ไม่ได้ก็เลยพูดมาบ้างแม่อย่าถือเป็นอารมณ์เลยเอาละสิดูเหมือนว่าจะมีรับลมคมในกันอยู่นะคะกับสองพี่น้องนี้แต่พลอยก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใคร จะคุยกับคุณเปรมก็กลัวคุณเปรมจะหาว่าคิดมากไปเองเหมือนข่าวที่แล้วจนกระทั่งในที่สุดตาอันก็มีจดหมายมาบอกวันกลับที่แน่นอนนะคะและคุณเปรมก็ไปสืบเวลามาได้แน่นอนว่าเรือที่ตาอันจะเดินทางมาจากสิงคโปร์มาถึงกรุงเทพเนี่ยจะเข้าท่าเมื่อไหร่แนะ่ก่อนตาอันกลับบ้านสักสามสี่วันค่ะพลอยก็ไม่ได้เป็นอันกินอันนอนกันเลยทีเดียวนะคะ ได้แต่ตระเตรียมห้องหับเสื้อผ้าเอาไว้รับลูกจัดแล้วจัดอีกเตรียมไว้อย่างหนึ่งจัดไว้อย่างหนึ่งพอกลับไปดูอีกก็ไม่ถูกใจต้องจัดใหม่เตรียมใหม่กันอีกหลายรอบจนในที่สุดคะ่ะวันที่ลูกจะกลับบ้านก็มาถึงวันนั้นพลอยตื่นแต่เช้ารู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้ต่อไป พลอยจะได้ลูกกลับมาไว้ชมเชยถึงกลับมาคนเดียวก่อนก็ยังดีคุณเปรมเองก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษพอใกล้เวลาพลอยก็ขึ้นรถกับคุณเปรมและประภัยตรงไปยังท่าเรือพอไปถึงก็เห็นพ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็หลวงโอสถรออยู่ก่อนแล้วในขณะที่รอ ทุกคนก็ยืนคุยกันด้วยความดีใจและด้วยความปิติหลังจากที่ได้ยืนบังร่มจากโรงเก็บสินค้าอยู่ชั่วโมงกว่าๆพรอยก็จะยินเสียงหูดเรือใหญ่ไกลๆอีกสักครู่เรือไฟลำใหญ่ก็เลี้ยวอ้อมคุ้งน้ำโผล่มาให้เห็นเรือนั้นแล่นใกล้เข้ามาทุกทีจนพรอยใจเต้นแทบจะกลุมสติเอาไว้ไม่อยู่ อหอยตีบตันน้ำตากรลบลูกตามองอะไรก็พราพรางไปหมดเสียงคุณเปรมร้องขึ้นว่านั่นแน่เห็นตัวแล้วยืนอยู่ที่ลูกกรงเรือนัันอะไรแม่พรอยเห็นไหมแม่โตขึ้นเป็นกองดูสิแม่พลอยลูกเราเป็นหนุ่มใหญ่ทีเดียวพรอยรีบเช็ดน้ำตาแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูขณะนั้น เรือกำลังลอยลำห่างจากตลิ่งแล้วก็กำลังจะเข้าเทียบท่าดาดฟ้าที่คนโดยสารยืนอยู่นั้นดูสูงลิบลิบพรอยเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งฝรั่งชุดขาวยืนเกาะลูกกรงมือนหนึ่งในขณะที่อีกมือนหนึ่งก็โบกมาทางที่ตนยืนอยู่จริงอย่างที่คุณเปรมว่าตะอันนั่นเองถึงจะเติบโตเป็นหนุ่มอย่างไร แต่เห็นที่ไหนพลอยก็จำได้ไม่ลืมพลอยดีใจจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถูกเดี๋ยวไปดูเห็นคนที่ยืนอยู่ได้กันต่างก็พากันโบกมือกับคนที่อยู่บนเบรือต่างคนต่างมารับญาติหรือมิตรที่เดินทางกลับมาด้วยเรือลานั้นพลอยก็เลยโบกมือไปกับเขาด้วย ทั้งที่ไม่เคยทามาแต่ก่อนบรรยากาศแบบนี้เราอาจจะนึกไม่ใคยออกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เรามาทางเครื่องบินเราไม่ได้เห็นอีตอนเครื่องบินกำลังจะลงก็มองไม่เห็นกันว่าแต่ละคนอยู่ในอากับกิริยาท่าทีอย่างไรเห็นนิกทีก็เดินพ้นประตูผู้โดยสารขาออกมาแล้วนะคะ แต่ว่าการเดินทางทางเรือเนี่ยแหมมันมีลุ้นเนาะเห็นกันตั้งแต่เป็นจุดเล็ก ๆ, ๆลิบๆจนกระทั่งค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโอ้โหเรียกว่าค่อยๆจะบิ้วความรู้สึกได้มากเลยทีเดียวตื่นเต้นนะดิฉันว่าเป็นรสชาติของการรอคอยที่ที่มันแปลกไปกว่าการรับทางเครื่องบินอ่า เราอาจจะนึกไม่เคยออกนะคะคนละยุคคนละสมัยแต่ว่าพออ่านล้วก็เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะว่าคงเป็นความรู้สึกที่เต็มตื่นมากๆในระหว่างที่ยืนมองดูกันอยู่นั้นนะคะพลอยก็สังเกตเห็นแม่มคนหนึ่งมายืนเกาะลุกกรงหมายถึงลูกกลงเรือเนี่ยนะคะเคียงข้างตาอัน้นแล้วพลอยก็เห็นตาอัน้นเหลียวไปพูดด้วยอย่างตื่นเต้นพรางชี้มาทางที่พลอย และคุณเปรมยืนอยู่แหม่มคนนั้นก็มองมาทางพลอยหัวเราะแล้วก็โบกมือด้วยพลอยก็นึกสงสัยว่าตาอั้นไปบอกแหม่มคนนั้นว่าอย่างไรทำไมถึงต้องโบกมือให้เรือลำนั้นลอยลำอยู่อีกนานค่ะแต่ในที่สุดก็เข้าจอดเทียบท่าแล้วก็หย่อนบันไดลงมา จาพนักงานศุนลกากรและอื่นๆเป็นผู้ที่ขึ้นไปบนเรือก่อนอีกสักครู่นะคะคุณเปรมก็พาพรอยซึ่งกำลังยืนขาสั่นด้วยความตื่นเต้นขึ้นไปบนเรือบ้างอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นภาพการเดินทางในสมัยก่อนเลยทีเดียวนะคะว่าเวลาเรือจอดปื๊บเนี่ยเขาจะต้องทำกันยังไงก่อนพอพรอยโผล่ขึ้นจากบันไดเรือขึ้นไปถึงดาดฟ้าเรือชั้นบน ต่อันก็โ p r o เข้ามากอดพลอยไว้แน่นพลอยจับตัวลูกไว้แล้วก็กอดอาราวกับว่าจะไม่ยอมให้ลูกจากไปอีกเสียงใครต่อใครพักทายจอแจฟังไม่ได้สักเสียงคุณเปรมหัวเราะเสียงคนอื่นหัวเราะแต่พลอยไม่สนใจกอดแต่อันเอาไว้รอบตัวแล้วก็ร้องไห้อย่างหมดอายคุณแม่ลูกคิดถึงเหลือเกินคิดถึงเหลือเกิน ลูกกลับมาแล้วจะไม่ไปไหนอีกต่อันเองก็ตื่นเต้นจนพูดจาแทบไม่ออกเช่นกันพรอยืนกอดลูกอยู่นานใจอยากจะกอดให้อิ่มแต่ถึงจะกอดเอาไว้นานแค่ไหนก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่อิ่มแต่อันค่อยๆคลายตัวออกจากอ้อมแขนแล้วก็ทักกับคนที่ไปรับซึ่งพูดกันเ อ, อะอะฟังไม่ได้สับแล้วแต่อันก็บอกว่า เดี๋ยวก่อนจะต้องแนะนำใครให้รู้จักอีกคนแล้วต่อัน้นก็ไปจูงข้อมือแม่มสาวร่างสูงคนหนึ่งที่ยืนยิ้มอยู่ใกล้ๆ ใ, ให้เดินเข้ามากลางกลุ่มญาติพี่น้องพลอยมองเห็นก็รู้ว่าเป็นแม่มคนเดียวกับที่ยืนคู่ต่อัน้นตอนที่พลอยอมองเห็นจากข้างล่างก่อนเรือเทียบสาพลอยก็นึกในใจว่าสงสัยจะรู้จักกันบนเรือ แต่ตาอั้นก็พาแม่มคนนั้นมายืนตรงหน้าคุณเปรมพูดภาษาฝรั่งกับแม่มนั้นสองสามคำพลางบอกคุณเพรมว่าคุณพ่อครับนี่ลูซินคุณเพรมเหลียวมาดูหน้าพลอยอย่างเก้อ เ, เอามือเช็ดกับพ้านุ่งโดยไม่รู้ตัวยื่นมือไปจับมือกับแม่มเสียงแม่มพูดภาษาฝรั่งเร็วปรือสองสามคำคุณเปรมก็ยิ่งหน้าเสียลงไปอีกเพราะฟังไม่รู้เรื่อง ต่อันส่งภาษาฝรั่งกับกับแม่มคนนั้นอีกสองสามคำแม่มหันหน้ามายิ้มกับพลอยพอพลอยจะเอาอย่างคุณเพรมโดยยื่นมือออกไปหมายว่าจะจับมือกับแม่มแม่มก็ตรงเข้าจับหัวไหล่ของพลอยดึงตัวเข้าไปชิดเอาแก้มทาบเข้ากับแก้มของพลอยแล้วก็ดูดปากที่อยู่ชิดข้างหูของพลอยดังจ้วงใหญ่พลอยสะดุ้งสุดตัวหน้าชาด้วยความอาย เพราะไม่เคยมีใครแสดงกิริยาเช่นนั้นกับตนมาก่อนเสียงตาอั้นพูดเหมือนกับดังมาจากที่ที่ไกลแสนไกลเหลือเกินว่า <Pom. S 1> คุณพ่อคุณแม่ครับนี่คือลูซินเมียผมเองเรารักกันมากและแต่งงานกันเมื่อผมสอบเสร็จผมไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่มาก่อนเพราะเกรงว่าจะตกใจ ผมรู้ว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้พบลูซินก็คงจะรักเท่ากับรักผมจึงพาตัวมาให้พบเลยแต่อันพูดแล้วก็หันไปพูดภาษาฝรั่งกับเมียมแหม่มของตนอีกสองสามคำแหม่มนั้นยกมือไหว้ไหว้คุณเปรมไหว้พลอยไหว้พ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็หลวงโอสดไหว้ดะไปจนถึงประภยัยโดยทา่าทีที่เก้งก้างแบบคนหักใหม่ เท่านั้นล่ะพรอยก็แทบจะล้มลงทั้งยืนนี่เองที่ตาอั้นพูดเกลืนมาก่อนในจดหมายว่าตนนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนแต่ก่อนและนี่เองเป็นเหตุที่ตาอัดเป็นห่วงแม่แต่ไม่กล้าบอกเพราะตาอั้นคงจะสั่งปิดสั่งไม่ให้บอก พลอยนึกว่าคราวนี้จะได้ลูกกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์อย่างน้อยก็หนึ่งปีหรือสองปีแต่พอกลับมาจริงๆลูกก็มีเมียติดมาด้วยเมียซึ่งถึงจะเป็นฝรั่งหรือว่าจะเป็นพม่า ร, รามาันอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเมียก็ย่อมจะเป็นเจ้าของตาอัาน้นมากกว่าแม่ ซึ่งมีสิทธิ์ในตัวตะอัานมากกว่าใครทั้งสิ้นความหวังที่วางไว้เกี่ยวกับลูกดูจะเลื่อนลอยหายไปในทันใดเหลียวดูคุณเปรมก็เห็นคุณเปรมยืนแหงหน้าดูดาดฟ้าเรือชั้นบนอย่างท้องไม่รู้ร้อน คืนนั้นคุณเปรมนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาแล้วก็ถอนใจใหญ่อยู่จนดึกคุณเปรมเป็นอะไรไปหรือกลุ้มใจกลุ้มใจเรื่องอะไรแม่พร้อยนี่ไดท้ทีก็ขี่แพะไล่ฉันส่งลูกไปนอกให้ไปเอาความรู้ของฝรั่งเข้ามา มันก็เลยหอบเอาเมียฝรั่งมาด้วยเอาเถอะฉันรูละละ้แล้วล่ะแม่พลอยไม่ต้องพูดอะไรอีกฉันจะออกไปสืบหรี่นอกมุงสักประเดี๋ยวคือคุณเปรมที่พลอยเห็นว่าทำท่าเป็นทองไม่รู้ร้อนดูเฉยเฉยจริงๆแล้วคุณเปรมนี่กรุ่มอยู่ลึกๆนะคะกรุ่มแล้วก็ผิดหวังอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วนะคะ ชีวิตของพลอยนับจากนี้ค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันและถ้าจะว่ากันไปถ้ามองในแง่ดีการที่พลอยได้ลูกสะพ้ายเป็นแหม่มก็ทําให้พลอยได้รู้ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆอีกหลายอยา่างหลังจากที่นอนไม่หลับในคืนแรกที่ตะอั้นกลับมาถึงบ้านพลอยก็ลุกขึ้นแต่เช้าสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเรื่องอาหารการกินของลกูก เมื่อเย็นวานก็เป็นการฉุกและหุกเต็มทีเพราะว่าพลอยคาดว่าตาอั้นกลับมาบ้านคงอยากกินของต่างๆอย่างที่เคยชอบก็จัดเตรียมกับข้าวเอาไว้อย่างประนีตบรรจงจนเหลือเฟือแต่พอถึงตอนกินข้าวเย็นเข้าจริงตาอั้นก็ดูเหนือยๆกับของกินที่พลอยหาไว้ให้อาจจะเป็นเพราะเกรงใจเมียมแหม่มที่ดูจะสีอิจสีเอียนต่อกับข้าวไทยอยู่มาก ทุกคนก็อีหลักอีเหลือกระดากใจนะคะตักข้าวใส่จานมาขี่เขียรเล่นๆแต่อันก็ได้แต่ออกตัวบอกว่าเมียยังเหนื่อยปวดหัวต่อไปก็คงจะคุ้นเคยเป็นการเรียบร้อยไปได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นพลอยก็เริ่มกังวลว่าเอตายและลูกสะพ้ายแม่มเนี่ยจะกินอะไรนะคะไม่คุ้นไม่เคยเนาะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่แปลกแลคะ่ะคนไทยเราเองก็ยังกินอาหารฝรั่งกัน แต่สมัยก่อนนี่วัฒนธรรมมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคุณเปรมซึ่งก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเยอะเหมือนกันนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนมาหลับเอาตอนใกล้สว่างพลอยก็ไม่รู้จะไปปรึกษาหารือกับใครนะคะจะไปปรึกษาคุณเปรมคุณเปรมก็ก็เพิ่งจะพลอยหลับไป เมื่อตอนใกล้สว่างอย่างที่บอกเมื่อหมดที่พึ่งที่ปรึกษาหารือพลอยก็บ่ายหน้าไปหาคุณอุ่นที่เรือนอ้าวแม่พลอยมาแต่เช้าทีเดียวอีฉันนอนไม่หลับนอนไม่หลับทันนบ้งคืนคะ่ะกลุ่มใจพลอยรับสารภาพเถิโดยดีนะคะกลุ่มใจเรื่องลูกสะพ้ายเนี่ยหรืออย่ากลุ่มใจเลยแม่พลอยถึงกลุ่มก็ทาอะไรไม่ได้ ฉันว่าเขาก็น่าตาหน่าเอ็นดูดีอยู่นะต่อไปพอคุ้นเคยกันสักหน่อยพูดภาษาไทยได้บ้างก็ขี้เกียจจะรักซะอีกเรื่องนั้นก็พอทานาหรอกค่ะคุณพี่แต่ตอนนี้ฉันกลุ้มอยู่แต่ว่าเขาจะกินอะไรก็ไม่รู้เช้านี้ฉันก็เลยสั่งไม่ถูกอยากจะมาเรียนถามคุณพี่ว่าฝรั่งเขากินอะไรกันคุณพี่รู้บ้างไหมคะกินขนมปัง ให้เด็กไปซื้อขนมปังเอาไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ซื้อเนยซื้อนมเอาปิ่นโตไปซื้อกับข้าวฝรั่งจากร้านเจ๊กมาด้วยขนมปังซื้อให้มากๆจะได้กินให้อิ่มพรอยถอนใจเพราะคุณอุ่นก็ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านั้นเดินลงจากเรือนคุณอุ่นกลับขึ้นตึกก็พอดีแต่อันโผล่ออกมาจากห้องนอนนี่เป็นครั้งแรกนะคะ นับตั้งแต่ตาอั้นกลับถึงบ้านที่พลอยได้พบกับตะอั้นสองต่อสองโดยที่ไม่มีเมียอยู่ด้วยอั้นตื่นแต่เช้าทีเดียวลูกผมนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นเต้นดีใจจนพูดไม่ถูกที่ได้กลับบ้านเอ่อแม่เอ้ยเมียอั้นเขาตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วครับยังนั่งแต่งตัวอยู่ในห้องเดี๋ยวก็คงจะออกมาคุณแม่เข้ามาหาเขาก่อนก็ได้ ไม่ต้องหลอกอัน้นเดี๋ยไปกวนเขาเลยไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่เข้ามาเถอะลูซินเคารักคุณแม่มากแล้วแต่อั้นก็ควา้าข้อมือพลอยครึ่งลากครึ่งจูงเข้าไปในห้องลูซินนั่งอยู่ที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ตรงหน้ามีขวดมีกระปุกเครื่องสําอางต่างๆวางอยู่เต็มมือหนึ่งถือแปรงกําลังแปรงผมพอเห็นพลอยก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานแล้วก็พูดอะไรเป็นภาษาฝรั่ง ซึ่งพลอยก็ได้แต่ยิ้มตอบแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งอย่างสงบเสงี่ยมพลอยนึกอยู่ในใจว่าลูกสะั้ยช่างสวยเหมือนตุ๊กตาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พินิษพิจารณาลูกสะภ้ายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เห็นว่าผมของลูซินนั้นเป็นคลื่นสีทองแดงผิวหนังสีขาวแก้มชมพูในตาสีน้ำเงินอ่อน จนแลดูเหมือนแก้วใสๆคือดูแล้วเนี่ยสวยเต็มตาแต่ถ้าดูไปนานๆก็คงจะเบื่อเพราะว่าพิษไม่ขึ้นคนไทยเราจะมีคําว่าสวยผาดกับสวยพิษใช่ไหมคะแล้วก็มักจะให้ความสําคัญกับสวยพิษเพราะว่าคนสวยพิษเนี่ยดูทีแรกอาจจะยังไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ยิ่งดูก็จะยิ่งเห็นงาม แต่ลูกสไปซคนนี้จริงๆก็พึงจะเป็นลูกสไปซ์คนเดียวเนี่ยนะคะพลอยเห็นว่าพิษไม่ขึ้นผิวหนังก็หยาบสู้คนไทยไม่ได้ดูคนเดียวแบบนี้เนี่ยก็รูปร่างดีอยู่แต่ถ้าไปเทียบกับคนไทยก็จะดูเอถอะทะเก้งก้างน่ารําคาญคิดตูแล้วพลอยก็สงสารตาอั้นไม่น่าจะใจเร็วด่วนได้จากนั้นพลอยก็นึกออกถึงปัญหาที่ พลอยกำลังหนักอกหนักใจนะคะนั่นก็คือจะกินอะไรกันดีอันถามพ้อทีแล้วดูว่าเช้านี้อยากรับประทานอะไรอีกประเดี๋ยวแม่จะไปหามาให้แต่อันหัวเราะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรากินกาแฟกันคนละถ้วยขนมปังอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับตอนเช้ากาแฟถ้วยเดียว จะไปอิ่มอะไรละอันอย่างอื่นไม่รับบ้างเลยเหรอฝรั่งเขารับกันเท่านั้นแหละคุณแม่แตาอันอธิบายอย่างอารมณ์ดีพรอยก็ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องอาหารเช้าของฝรั่งเศสทําให้หายกังวลลงไปบ้างนะคะแต่ก็เป็นห่วงอยู่ดีว่าลูกจะหิวกินแค่นั้นจะไปอิ่มออกอะไรลูซินเดินไปเปิดตู้หยิบเสื้อออกมาอวดพรอยหลายชุดพรอยมองตามเข้าไป เห็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลายอย่างที่ไม่รู้จักก็นึกหนักใจแทนลูกสะภ้าว่าจะต้องแต่งตัวประดักประเดิดเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดรัดรึงต่างๆลูกซิงก็ถามว่าคุณแม่จะให้เขาใส่ชุดไหนครับพรอยก็หลับหูหลับตาชี้ไปที่เสื้อชมพูตัวหนึ่งนะคะแมมหัวเราะชอบใจหยิบเสื้อตัวนั้นออกมาพาดเอาไว้ที่เก้าอี้แล้วก็ลงนั่งแต่งตัวต่อ พลอยนั่งดูลูกสะพาฝรั่งแต่งตัวก็ยิ่งนึกอัศจรรย์ใจเพราะเห็นแหม่มหยิบอะไรต่ออะไรจากกระปุกเล็กกระปุกน้อยมาทาที่ปากบ้างแก้มบ้างทําให้ปากเป็นสีแดงแก้มเป็นสีชมพูส่วนข้างหลังตากระทาอะไรเขียวๆทําให้ลูกตาลึกกลวงเหมือนกับคนเป็นโรคดูแล้วก็อดนึกไม่ได้ว่าเพียงแต่จะแต่งตัวออกจากห้องอยังต้องผัดหน้าทาปาก ยังกลับจะไปเล่นละครนี่ถ้าไปงานไปการนี่ต้องแต่งตัวกันหนักไปกว่านี้หรือลูซินแต่งหน้าทาปากฉีดน้ำอบเรียกว่าจัดเต็มนะคะเสร็จเรียบร้อยก็หันมายิ้มกับพลอยอันบอกเขาด้วยว่าแม่เห็นว่าเขาสวยมากพลอยก็อยากจะเอาใจลูกสะพ้ายอะนะค ะ, อะพอตอันแปลให้เมียฟังแหมงก็หัวเราะดีใจ เดินเข้ามากอดพลอยทีหนึง่งแล้วก็พูดภาษาฝรั่งยืดยาวแต่อันบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็เห็นคุณแม่สวยมากเหมือนกันระหว่างที่ลูกสะพ้ายเดินเข้ามากอดพลอยก็นั่งตั้งสติไม่ปล่อยให้หลบหรือว่าแสดงกิริยาว่ารังเกียจตามความรู้สึกในใจนั้นก็นึกแต่ว่าทำเนียมฝรั่งนี้ช่างหน้ารำคาญเหลือเกินชอบแสดงอารมณ์โจ่งแจ้ง เดี๋ยวก็กอดประเดี๋วก็จูบกันวันอย่างค่าใจจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เคราะดีว่าในห้องนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยกันแต่เพียงสามคนถ้าไปทําอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นพลอยก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพรลอยกําหนดเอาไว้ในใจว่าพอคุ้นกันอีกสักหน่อยคงจะต้องเตือนตาอัน้นให้บอกมีระวังตัวซะบ้างเพราะที่นี่เป็นเมืองไทยพ่อแม่ก็มีสกุลจําต้องระมัดระวังกิริยาขณะที่กําลังนึก แหม่มก็ยังไม่เดินไปห่างจากตัวพลอยจะยืนอยู่ตรงหน้าเอื้อมมือเอ่มาจับผ้านุ่งผ้าห่มของพลอยด้วยความสนอกสนใจนะคะปากก็ถามตาอั้นเป็นภาษาฝรั่งอยู่เรื่อยๆวันนั้นพลอยนุ่งผ้าลายสีเขียวแก่ห่มผ้าแถบตามสบายแบบอยู่กับบ้านตาอั้นบอกว่าลูซินเขาตัดเสื้อเก่งเคยเรียนมาทางนี้เขาสนใจเครื่องแต่งตัวมากครับคุณแม่ ลูซินก็บอกว่าเขานึกไม่ออกว่าคุณแม่นุ่งห่มอย่างไรถึงอยู่ได้ด้วยผ้าสองผืนนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งไม่ต้องคาดเข็มขดัดไม่มีกระดุมแล้วก็ไม่ต้องใช้เข็มกลัดเลยสักตัวเดียวเขาบอกว่าถ้าเป็นเขานุ่งห่มแบบนี้คงเดินไม่ได้แน่แน่เพราะจะหลุดไปทั้งตัวแต่เขาก็จะแต่งอย่างนี้บ้างเขาจะให้คุณแม่สอนให้พลอยก็บอกว่าเ อ, อิอถ้าอย่างนั้น ก็อย่าเพิ่งเรียนเลยลูกเดี๋ยวพลาดพรั้งผ้าหลุดแล้วก็อายเขาตายค่อยดูค่อยไปก็แล้วกันแต่คนเดี๋ยวนี้เขานุ่งผ้าสิ้นกันหมดแล้วคงไม่ยากเพราะก็คงจะเหมือนกับโปรงแม่นะ่ะนุ่งผ้าเฉพาะเวลาอยู่กับบ้านเท่านั้นล่ละคือตอนนั้นเนี่ยพลอยก็นุ่งโจงกระเบนเฉพาะเวลาอยู่บ้านนี่ยนะคะคือโจงกระเบนนี่มันก็นุ่งยากนะแล้วก็ ถือเป็นการแต่งตัวที่น่าทึ่งมากเพราะเป็นผพพ้าผืนเดียวจริงๆนะคะแต่สามารถนุ่งและกลายเป็นเอ่อเป็นเครื่องแต่งตัวที่ทั้งเรียบร้อยแล้วก็ทั้งธรรมัดทรรมแงอันนี้ต้องบอกว่าดีดีไซน์เก๋มากนะคะสำหรับจงกระเบนเนี่ยเก๋แล้วก็เอ่อค่อนข้างจะน่าทึ่งนะคะในขณะนั้นคะ่ะพลอยก็รู้สึกว่าได้เวลา ที่จะต้องออกจากห้องนี้ไปโดยด่วนแ ล, ล้วล่ะเพราะสองคนผัวเมีย น, นี้เริ่มจะมองดูพลอยว่าเป็นของประหลาดจนเกินไปเสร็จแล้วนะคะพลอยก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็บอกกับตาอั้นว่าแม่แม่จะรีบไปดูของกินนะลูกแล้วก็หนีออกจากห้องไปสั่งเด็กชงน้ําชงกาแฟแล้วก็ปิ้งขนมปังที่เคยทําให้คุณเปรมกินอยู่เสมอนะคะอีกสักครู่คุณเปรมก็เดินหน้ายุ่งออกจากห้องมานั่งที่โต๊ะกินข้าว อ้าวแม่พลอยหายไปไหนมาแต่เช้าอันเขาชวนฉันเข้าไปคุยในห้องนะคุณเปรมตื่นลูกสะพ้ยแต่เช้าใช่นะคุณเปรมพูดทํำนองประชดก็จะทำอย่างไรได้ล่ะคุณเปรมลูกชวนฉันฉันก็ต้องไปพลอยก็ตอบอย่างอารมณ์เย็นนะคะไม่ถือโกรธที่โดนคุณเปรมประชดเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเห็นใจคุณเปรมอยู่มากคุณเปรมก็นิ่งไปครู่หนึ่ง ตักข้าวต้มใส่ชามแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วนี่เขาทำอะไรกันอยู่เมียเขากำลังแต่งตัวก็สวยดีอยู่หรอกสวยสวยผู้หญิงก็มีแต่เรื่องสวยดูอะไรก็ดูแต่ว่าสวยหรือไม่สวยผิดทุกดีชั่วไม่ต้องพูดกันละคุณเปรมคุณเปรมก็ทำใจเย็นๆไปบ้างคุณเปรมดุฉันเท่าไหร่ฉันไม่โกรธหรอกแต่ฉันไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเรื่องมันก็มาถึงเพียงนี้แล้ว ถึงจะโกรธไม่พอใจอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้ฉันว่าทำใจดีๆไว้ดีกว่าอย่าให้ตะอั้นเสียใจเลยนะก็เวลาจะทำอะไรทำไมเขาไม่คิดถึงฉันบ้างมีอย่างหรือจะมีเมียทั้งคนจะบอกให้พ่อแม่รู้ก็ไม่มีตาออสน้องชายก็เป็นใจช่วยกันติดฉันละช้ำใจนักไม่พลอยคราวนี้ฉันก็เห็นใจคุณเปรมหรอกนะเห็นใจจริงๆแต่อย่าไปดุตาออสแก่ด้วยเลย เพราะแกเป็นน้องจะพูดอะไรก็ยากในขณะนั้นนะคะต่อันก็พาเมียซึ่งแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกําลังจะเดินเลี้ยวเข้ามาในห้องอาหารแนเข้ามากันแล้วละคุณเปรมคุณเปลมหันไปดูแล้วก็ก้มหน้าลงซดข้าวต้มอย่างไม่สนใจแต่อันพาเมียเดินมาถึงโตะ๊ะแมมก็เดินตรงเข้าไปที่คุณเปรมทักเป็นภาษาฝรัง่ง แล้วก็เอื้อมมือออกจับกับคุณเปรมอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณเปรมต้องหันมามองหน้าพลอยแล้วก็ตีหน้าเบ้ยอย่างเบื่อหน่ายในเรื่องที่จะต้องจับมือกันอย่างไม่รู้หยุดพลอยเห็นคุณเปรมมองมาก็ยิ้มด้วยอย่างใจเย็นทําให้คุณเปรมหันไปทางอื่นโดยเร็วแล้วก็ทําเสียงกุกกักอยู่ในปากแต่อันก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่พอใจก็อธิบายบอกว่าธรรมเนียมฝรั่งเศสครับคุณพ่อเจอกันก็ต้องจับมือกันช่คุณเปรมพูดออกมาได้คําเดียว พลอยก็เลยรีบถามขึ้นว่าอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันทุกวันก็จับมือกันเหรอคือพลอยนี่รีบถามก่อนที่คุณเปรมจะพูด จ, จาอะไรไม่ดีออกไปนะคะชิงพูดซะก่อนแต่อันก็อธิบายว่ามันเป็นธรรมเนียมเขาถือกันอย่างนั้นแหละคุณแม่เป็นธรรมเนียมที่สุภาพของเขาถ้าสุภาพกันอย่างนี้ฉันก็เห็นจะมือหักตายซะก่อนเท่านั้นเองคุณเปรมก็พูดออกมาจนได้พลอยหันไปยิ้ม แล้วก็รีบชวนสะอ้นเนี่ยคุยเรื่องอื่นๆต่อนะคะอาหารเช้าวันนั้นก็เต็มไปด้วยความคลุกคลักประดักประเดิดละค่ะคุณเปรมกินข้าวต้มไม่กี่คำก็รีบอิ่มอิ่มแล้วแต่ไม่ยอมลุกจากโต๊ะนั่งทำหน้าบอกบุญไม่รับจ้องมองลูกสะภ้ยอยู่กับที่นะคะในขณะที่พรอยเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีแก่ใจที่จะกินอะไรได้เพราะต้องคอยระวังมีให้คุณเปรมพูดอะไรรุนแรงออกไป แล้วก็คอยชวนตาอั้นคุยเรื่องอื่นๆไม่เปิดโอกาสให้คุณเปรมแทรกเข้ามาได้ตาอั้นก็พอรู้ว่าพ่อเนี่ยไม่พอใจก็เริ่มกระดากกระเดืองพูดจาด้วยน้ำเสียงที่เก้อจนเห็นได้ชัดในขณะที่ลูซินเนี่ยสบายใจที่สุดเพราะไม่เข้าใจมองยิ้มกับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างจนพลอยออกสงสารแล้วลูซินก็รินกาแฟใส่ถ้วยใส่นมใส่น้ำตาลเอาขนมปังทาเนยพอพลอยเหลือไปเห็นก็ต้อง สะดุ้งนะคะเพราะว่าลูซินเอาขนมปังทานเนยจุ่มลงไปในถ้วยกาแฟแล้วจิงมเอาขึ้นใส่ปากกินคือในความรู้สึกของพลอยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันเสียมารยาทมากๆเลยนะคะพลอยก็รีบเมินหน้าหนีรู้สึกอายมากพอเหลียวไปดูทางตาอัาน้นก็เห็นว่าตาอั้นเนี่ยกําลังกินขนมปังกาแฟแบบเดียวกับภรรยานี่ถ้าเกิดว่า แตาอันยังเป็นเด็กๆก็คงจะต้องถูกพลอยดูแะคะ่ะถ้าไม่ฟังก็คงถึงขั้นต้องตีแต่ว่าตอนนี้แต่อันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเมียแล้วใช้กริยามารยาทในการกินอาหารเช่นเดียวกับเมียพลอยก็ได้แต่นั่งดูพูดอะไรไม่ออกเหลียวไปมองทางคุณเปรมก็เห็นคุณเปรมกำลังตะลึงดูอยู่เหมือนกันนะคะพลอยก็นึกในใจว่าหมดกันกริยามารยาท เคยสอนเคยหัดมาแต่ยังเด็กๆหมดกันคราวนี้เองเพราะถูกฝรั่งเปลี่ยนไปเสียหมดจะว่าอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะเมียเขาก็มานั่งคุมอยู่ด้วยพอตอนบ่ายวันนั้นค่ะคุณเปรมกลับมาจากที่ทํางานแต่หัววันพออาบน้ําผัดเครื่องแต่งตัวเสร็จคุณเปรมก็เรียกหากระดาษเครื่องเขียนให้วุ่นวายแล้วก็บอกว่าแม่พลอย ฉันเห็นจะต้องร่างพระสารถึงตาอ๋อสักหน่อยสั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องมีเมียมแมมฉันมีลูกสะพ้ยฝรั่งได้เพียงคนเดียวเท่านั้นขืนมีอีกคนฉันเห็นจะอายุสั้นเสียเป็นแน่ไอ้อั้นมันมีมาแล้วก็แล้วกันไปแต่ตาอ๋อนี่ถ้าขืนไปมีอีกฮึเป็นต้องขาดลูกขาดพ่อลันแน่ตาอ๋อแกก็ยังไม่เห็นจะมีวี่แววอะไรเลยคุณเปรมชาแม่คนหูทิพตาทิพแล้วอย่างไอ้อั้นเนี่ย หล่อนได้วี่แววก่อนงั้นรึแล้วทำไมไม่บอกฉันบ้างพลอยต้องหัวเราะเพราะคำพูดของคุณเปรมนะั้นค่อนข้างจะจริงนะคะคือจริงๆพลอยนี่ก็จัดว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะโดนผัวประชดประชันว่ากล่าวต่างๆนานานะใส่อารมณ์มากมายก็ไม่โกรธนะคะคือเรื่องนี้มันก็จริงอย่างที่คุณเพรมว่าเพราะว่าพลอยเองก็เพิ่งรู้พร้อมๆกับคุณเพรมที่ท่าเรือนะคะ ว่าแต่อันเนี่ยพาเมียแมปกลับมาบ้านแต่จะว่าไปพลอยก็ก็ได้วิแววนะเพียงแต่พลอยเนี่ยไม่แน่ใจเอคุณเปรมก็ลงมือเขียนจดหมายเสียยืดยาวพอเขียนเสร็จก็หันมาถามพลอยว่าจะอ่านไหมพลอยก็บอกว่าไม่อ่านหรอกขี้เกียจต่อความยาวสาวความยืดเมื่อเห็นว่าพลอยไม่อ่านคุณเปรมก็ปิดผนึกจดหมายดังปึงปังเหมือนกับจะระบายความโกรธ จ, จากตัวให้หมดไปนะคะคือระบายจากตาอ๊อฟ จากตาอั้นเนี่ยไปที่ตาออนซึ่งเป็นผู้รับกรรมต่อมาค่ะพลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสเป็นความว่าคุณแม่ที่รักโอ้โหคุณพ่อเขียนจดหมายมาเทศนาลูกใหญ่เลยเรื่องที่พี่อั้นพาเมียมแหม่มกลับบ้านราวกับว่าลูกจะไปห้ามเขาได้อย่างนั้นแหละแต่ลูกก็เห็นใจคุณพ่ออยู่มาก เลยเขียนจดหมายไปถึงท่านฉบับหนึ่งให้คำมั่นสัญญาว่าลูกจะไม่พาแหม่มหรือว่าพาใครๆกลับบ้านเป็นอันขาดถ้าอยากจะริมีเมียกับเขาเมื่อไหร่ก็จะบอกให้ท่านหาให้ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรหวังว่าท่านจะพอใจเรื่องพี่อัน้นที่ลูกไม่ได้บอกมาก่อนนั้นเพราะเจ้าตัวเขาสั่งให้ปิดเขาบอกว่าถ้าคืนลูกบอกมาทางบ้านเขาจะเตะลูกลูกก็เลยไม่บอก เพราะกลัวถูกเตะประการหนึ่งและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของลูกอีกประการหนึ่งแต่ความกลัวถูกเตะนั้นเห็นจะมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไหนๆแม่ก็รู้แล้วลูกจะเล่าให้ฟังพี่อั้งกับลูซินเขาได้เสียกันอย่างลับๆตั้งแต่ก่อนที่พี่อั้งจะสอบได้เขามาแต่งงานกันอย่างเปิดเผยตอนที่พี่อั้นสอบได้แล้วเมื่อรู้จักกันลูซินเขาหากินเป็นช่างตัดเสื้อทํางานอยู่ร้านใหญ่ๆในปารีส บ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับพี่อัน้นเช้าเย็นเขาเดินผ่านเห็นหน้ากันทุกวันในที่สุดเขาก็รู้จักแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้พ่อแม่ผู้หญิงเขาก็ไม่ห้ามเพราะแกไม่ใช่คนร่ำรวยมีลูกหลายคนแกนึกว่าพี่อั้นเป็นเศรษฐีมาจากเมืองไทยดูเหมือนญาติผู้หญิงเขาจะไปเที่ยวคุยด้วยซ้ำว่าพี่อั้นน่ะเป็นเจ้ามาจากเมืองไทยแต่ปิดบังไม่ยอมบอกใครเพราะมาเรียนหนังสือลูกไปฝรั่งเศส ยังพลอยเขื่องไปด้วยเพราะข่าวลือนี้ถ้าจะว่าไปเมียพี่อั้นเขาก็เป็นคนดีตามภาษาฝรั่งและผัวเมียเขาก็รักกันมากเท่าที่ลูกรู้ลูกมาวิตกอยู่ก็แต่ทางบ้านของเราเพราะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และคนอื่นๆทุกคนเป็นคนไทยมีนิสัยใจคอการอบรมเป็นคนละอย่างกับฝรั่งอยู่ดีๆก็มีฝรั่งแท้ๆคนหนึ่งโดดเข้าไปอยู่ด้วยใจกลางครอบครัว ยอมจะต้องอึดอัดใจเป็นธรรมดาเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคนด้วยกันแต่ก็เป็นคนคนละชนิดกันเข้ากันได้ยากถูกจึงเห็นใจคุณพ่อท่านมากและเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเมียพี่อัน้นเขาจะต้องโอนอ่อนเข้าหาทางเราถ้าเขาทำได้ก็ดีไปและลูกก็หวังว่าจะทำได้เพราะไม่ใช่คนอายุมากนะักคนที่จะทาให้เมียพี่อั้นหันมาเป็นไทยและเข้ากับคนไทยได้ ลูกก็เห็นว่ามีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นคุณพ่อท่านก็คงจะไม่มีเวลาส่วนพี่อั้นเองเขาคงไม่คิดจะทำเพราะว่าลูกดูดูแล้วพี่อั้นในตอนท้ายนี้เขาออกจะเป็นฝรั่งมากกว่าเมียของเขาสอีกสำหรับตัวลูกเองแม่ไม่ต้องวิตกเพราะลูกรับรองได้ว่าจะไม่ทำอย่างพี่อั้นแน่นอนกลัวว่าจะทำให้ต้องลาบากหลายคนโดยไม่เข้าเรื่องความจริง คนที่เป็นผัวเมียกันนั้นถึงจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ถ้าใจรักกันจริงแล้วก็คงจะอยู่ได้กันได้อย่างเป็นสุขลูกกลัวแต่อย่างเดียวว่าผู้หญิงฝรั่งที่เขามารักเรานั้นเขาอาจเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดเมื่อเขาเห็นเราเป็นคนตะวันออกหน้าดำๆแต่มีปัญญาไปเรียนได้ถึงบ้านเขาเขาก็จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเป็นเจ้าคนนายคนมใช่คนธรรมดาสามัญมิฉะนั้น จะเดินทางไปเรียนหนังสือไกลถึงเพียงนั้นได้อย่างไรและเมื่อนึกว่าเราร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนแล้วเขาก็คงจะต้องนึกต่อไปอีกตามธรรมดาฝรั่งนั้นเขารู้จักเมืองตะวันออกด้วยการอ่านหนังสือซึ่งส่วนมากก็เป็นหนังสืออ่านเล่นที่คนแต่งตั้งใจโกหกให้วิจิตพิสดารต่างๆแล้วก็อาจจะเห็นภาพว่าเราคงจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาและข้าทาสบริวารคอยรับใช้ จะไปไหนมาไหนก็คงจะขี่ช้างขี่ม้า ก, กันอย่างคลึกครื้นแล้วเขาก็คงจะนึกเอาว่าถ้าเขาเป็นเมียเราเขาก็จะได้มาใช้ชีวิตอย่างนั้นในสวรนออกซึ่งคงจะน่าสนุกสบายกว่าชีวิตที่เขาเคยมาเป็นอันมากเมื่อผู้หญิงฝรั่งธรรมดามารู้จักคนไทยก็คงจะมีความคิดอย่างนี้ติดตัวมาด้วยยิ่งไดมารู้จักคนไทยก็หลงรักได้ง่าย เพราะผู้หญิงนั้นเหมือนกันทั่วโลกนั่นก็คือชอบให้คนฉอเลาะเอาใจและชอบคนมีกิริยาเรียบร้อยแต่งตัวโก้เที่ยวเก่งพูดเก่งคนที่มีลักษณะอย่างนี้ในหมู่ฝรั่งด้วยกันมีน้อยคนเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเป็นคนเก้งก้างเข้าผู้หญิงไม่เป็นจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอถอะทะไม่น่าดูส่วนคนไทยนั้นมีลักษณะที่ผู้หญิงชอบทุกคนไป จึงติดต่อรู้ อ, อกรู้ใจกันได้รวดเร็วครั้นได้เสียกันแล้วพากลับมาเมืองไทยการที่จะเป็นไปอย่างที่สองฝ่ายมิได้คาดไว้ฝ่ายหญิงก็จะเห็นว่าเมืองไทยนั้นเล็กนิดเดียวไม่ได้หรูหรายอย่างที่เคยฝันเคยได้ยินผัวบอกว่าทางบ้านมีร้านให้เขาเช่าในเมืองหลวงก็นึกว่าผัวของตัวเป็นเจ้าของที่มีตึกนับสิบยี่สิบชั้น เหมือนอย่างที่เขาให้เช่ากันในลอนดอนแต่พอมาเห็นเข้าจริงกลายเป็นห้องแถวโกโรโกโซโสองสามห้อ ง, ข, งข้างล่างก็น้ำเน่าข้างหลังก็น้ำเน่าใจก็คงจะนึกโกรธว่าถูกต้มยิ่งอยู่เมืองไทยนานไปถูกยุงกัดกลางคืนมแมลงวันตอมกลางวันแวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอต่างๆเช่นกะปิปลาร์กระเทียมน้ำปลาซึ่งฝรั่งเห็นว่าเหม็นแถมตามฝาบ้าน ก็มีจิงจกตุกแกอันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ฝรั่งเห็นว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวมาต่ยยั่วเยีายออกเต็มไปใจนั้นก็คงจะยิ่งนึกว่าตัวถูกพามาทรมานและนึกคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองหนาวอากาศหนาวแล้วก็อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่อีกต่อไปทางฝ่ายผู้ชายเมื่อได้กันใหม่ๆก็เห็นว่าเมียของตัวสวยนิสัยใจคอตลอดจนกิริยามารยาทก็ดูน่ารักไปหมด เพราะเมื่ออยู่ด้วยกันที่เมืองนอกไม่มีคนอื่นจะให้มาเปรียบเทียบนอกจากผู้หญิงฝรั่งด้วยกันครั้นพอกลับมาถึงเมืองไทยเห็นเมียของตนมานั่งขาวโพล่งตัวโ ต, วตวกว่ามนุษย์ธรรมดาในหมู่คนไทยก็คงจะต้องตกใจยิ่งมองดูผู้หญิงไทยก็ยิ่งเห็นสวยกว่าน่ารักกว่าเมียของตนไปสิน้นผิวหนังของคนไทยก็ละเอียดกว่าไม่เป็นรูไม่หยาบอย่างฝรั่งจริตกิริยาก็แช่มช้อยน่ารักกว่า ไม่โกงเก้งทูมตามและผู้หญิงไทยนั้นก็นับถือเลื่อมใสตนมากกว่าเพราะเห็นว่าเป็นนักเรียนนอกไม่เหมือนกับแหม่มที่คอยทักคอยแก้คำพูดภาษาฝรัง่งที่ตนพูดออกมาไม่ชัดนานเข้าหน่อยก็คงจะชักกำคารเบื่อเมียมแหม่มเหม็นนมเหม็นเนอยอยากจะไล่ไปเสียให้พ น, พนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองฝ่ายจะหาความสุขจากไหนมาได้ และถ้ายิ่งมีลูกด้วยกันก็จะยิ่งลำบากไปใหญ่สรุปความว่าแม่เย็นใจได้เลยลูกจะไม่พาแหม่มกลับมาเป็นลูกสะพ้ายแม่เป็นคนที่สองเด็ดขาดและถ้าหากว่าแม่ยังไม่รีบร้อนที่จะมีลูกสะพ้ยนะักลูกก็อยากจะขออยู่ตัวคนเดียวไปก่อนและเป็นของแม่แต่คนเดียวไปนานๆหลวงชื่อออส พลอยอ่านจดหมายตาออดแล้วก็อยากจะหัวเราะแล้วร้องไห้พร้อมๆกันไปใจหนึ่งนั้นก็ชื่นใจที่ตาออดพูดมาได้ตรงกับใจตัวทุกอย่างอีกใจหนึ่งก็สงสารตาอัน้นที่อาจจะต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างที่ตาออดเขียนมาพร้อมกันกับจดหมายถึงพลอยนะคะตาออดก็มีจดหมายจากหน้าซองถึงคุณเปรมอีกฉบับหนึ่ง พลอยก็เก็บเอาไว้ให้คุณเป๋เอาไว้ให้คุณเปรมเนี่ยเปิดอ่านเอาเองตกบ่ายคุณเปรมกลับจากงานเปิดจดมหมายแต่ออสออกอ่านก็ดีใจหัวเราะลั่นยื่นจดหมายให้พลอยดูแล้วก็ร้องว่าแม่ออสเขาพูดตรงกับใจฉันเสียจริงทีเดียวไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกพ่อพลอยก็เมินหน้าไปยิ้มเสียทางอื่นนี่เป็นครั้งแรกนะคะ ที่พลอยเคยได้ยินคุณเปรมพูดว่าตาออดดีกว่าตาอัน้นแต่จดหมายจากตาออดฉบับนั้นดูเหมือนจะทําให้คุณเปรมมีความหวังมากขึ้นกว่าเก่ามีอารมณ์ดีขึ้นกว่าเก่าไม่รู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่ารําคาญในการที่ตาอั้นมีเมียมแหม่มจนเกินควรและต่อจากนั้นคุณเปรมก็เริ่มพูดจากับตาอั้นและเมียมแต่โดยดีและก็เริ่มแสดงความเมตตากรุณาตามสมควรซึ่งก็ทําให้พลอยโล่งใจขึ้นเป็นอันมาก จากเรื่องเมียแมมก็มาถึงเรื่องของการทำงานบ้าง น, นะคะเพราะว่าเมื่อตาอั้นกลับมาเนี่ยคุณเปรมก็จะต้องจัดการ เ, เรื่องหน้าที่การงานให้ตาอัาน้นปรากฏว่าคุณเปรมก็พาตาอั้นไปเที่ยวหาผู้ใหญ่ในราชการนะคะ ผู้ใหญ่ที่คุณเพรมเคารพนับถือและในที่สุดก็สามารถฝากตาอั้นเข้าทําราชการในกระทรวงยุติธรรมสมกับวิชากฎหมายที่ตาอั้นได้ร่ําเรียนมาส่วนตาอ้อนที่เป็นนายทหารอยู่ที่อยุธยานั้นก็ไปมาหาสู่อยู่เป็นนิดไม่มีวี่แววว่าจะกระทําการสิ่งใดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวลงไปโดยไม่ปรึกษาเหมือนกับตาอัาน้นคุณเพรมบอกว่าตาออสดีกว่าตาอัอน้น เป็นครั้งแรกนะคะก็ทําให้พลอยเนี่ยคลายความวิตกที่เคยมีอยู่แต่เดิมลงไปได้ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาคุณเปรมแทบไม่เคยเห็นตาอ๊อดมีดีอะไรกว่าตาอั้นเลยนะคะคือตาอั้นทําอะไรเนี่ยก็ดีไปหมดส่วนตาอ๊อดทำอะไรก็ไม่เข้าตาไปหมดนี่เป็นครั้งแรกระหว่างนั้นค่ะพลอยก็ได้แต่นั่งคอยให้ตาอ๊อดกลับมาอีกคนหนึ่งจะได้ครบจํานวนลูกซึ่งก็จะต้องรอไปอีกประมาณปีเศษ สิ่งที่ทําให้พลอยเกิดความกังวลใจในขณะนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของตาอัน้นก็คือเรื่องของประภัยตอนนี้ประภัยกาลังแตกเนื้อสาวพลอยส่งให้ไปอยู่โรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่งแล้วก็รับกลับมาค้างบ้านอาทิตย์ละครั้งพลอยสังเกตว่ากิริยามารยาทของประภัยนั้นดูจะเป็นสมัยใหม่แล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปในสายตาของพลอยนะคะ ประไพชอบแสดงกิริยาโกเกต่างๆออกมาให้เห็นจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งก็เป็นไปโดยอิสระขาดความระมัดระวังผิดกับการที่พลอยเนี่ยเคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ยังเด็กๆคือพลอยนี่ได้รับการสั่งสอนมาอีกแบบหนึ่งแบบชาววังการพูดจาของประไพประไพก็เป็นคนที่พูดตรงๆในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะพูด พลอยเคยปรารพขอให้คุณอุ่นช่วยกวดขันดูแลความประพฤติของประภัยอีกแรงหนึ่งคุณอุ่นก็รับแต่พลอยก็รู้ว่าไม่มีผลอย่างไรเพราะว่าคุณอุ่นรักประภัยจนหลงหลงแบบคนแก่ที่จะต้องมีอะไรหรือว่าใครเอาไว้รักไว้ตามใจและคุณอุ่นก็อยู่ในฐานะที่ประภัยจะขู่ได้เสียแล้วเพราะถูกตามใจมาไวมากพอตาอั้นพาเมียมแหม่มมาไว้ในบ้าน ประไพก็เข้าสนิทสนมกับพี่สะพยได้ทันทีทุกครั้งที่อยู่บ้านประไพก็จะเข้าไปครุกอยู่กับพี่สะพยในห้องแล้วเมื่อออกมานอกห้องก็มักมีกิริยาอาการของแม่มติดออกมาด้วยเสมอประไพเริ่มเรียนแบบลูซินนะคะเรียนไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าพูดท่าหัวเราะหรือแม้แต่จะมองดูผู้คนหรือว่าสิ่งอื่น ประไพก็เริ่มมีท่าทีเป็นแหมมจนพลอยเนี่ยเกือบจะทนไม่ได้เช่นบางครั้งประไพยเผลอตัวนั่งไขว่ห้างทำให้พลอยต้องดูเอาเรแรงๆวันหนึ่งพลอยสังเกตเห็นว่าประไพยมีหน้าตาแปลกไปกว่าแต่ก่อนพอเรียกเข้ามาดูใกล้ๆเอานิ้วเช็ดที่แก้มที่ปากออกดูพลอยก็รู้ได้ว่าประไพทาหน้าด้วยสีของพี่สะพายแมมก็คือด้วยเครื่องสาอางนั่นเองพลอยโกรธมาก ไปล้างหน้าออกให้หมดเดี๋ยวนี้ประไพพ่อยสั่งด้วยความโมโหในขณะที่ประไพสะบัดหน้าด้วยความไม่พอใจแต่ก็ยังนั่งก้มหน้าปล่อยให้น้ําตาร่วงเพาะพแต่ก็ไม่ยอมลุกนะพ่อยก็โกรธ ด, ดูสิฉันบอกแล้วยังทำไม่ได้ยินอีกเดี๋ยวเถอะประไพโทรคุณแม่ก็ภพยลองดูหน่อยเดียวเท่านั้น ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยตายจริงผัดหน้าทาปากราวกับนางละครแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าไม่เสียหายอะไรอีกก็พี่ลูซินก็บอกว่าที่เมืองนอกน่ะผู้หญิงเขาก็ทากันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้น่ะแต่ที่นี่เมืองไทยไม่ใช่เมืองนอกไปล้างหน้าออกเดี๋ยวนี้ทีเดียวประภัย คือปกติพลอยนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้อารมณ์คราวนี้นี่ดูเหมือนว่าพลอยจะโกรธเอาจริงๆในขณะนั้นตาอั้นกลับจากทำงานตอนบ่ายพลอยบ่นเรื่องนี้แต่ตาอั้นก็กลับหัวเราะบอกว่าคุณแม่ครับประไพแกเป็นเด็กรุ่นสาวขึ้นมาแล้วแกก็ต้องอยากสวยอยากงามที่เมืองฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ทาหน้ากันทั้งนั้นล่ะครับเขาไม่ถือว่าเป็นของเสียหายอะไร คอยดูไปเถิดอีกหน่อยเมืองไทยก็คงจะเป็นไปตามไม่มีวันซะละใครจะตามก็ตามไปเถอะฉันไม่ยอมคนหนึ่งละ่ะฉันแก่แล้วคุณแม่ก็ดีแต่อ้างว่าแก่คนขนาดคุณแม่ที่เมืองนอกยังไม่มีใครก็ถือว่าแก่เลยผู้หญิงฝรั่งนั้นสาวสาวเสียอีกเขาไม่ต้องแต่งตัวเท่าไหร่เพราะถือว่าสวยอยู่แล้วแต่พออายุมากเข้าเขาก็แต่งตัวมากขึ้นตาม เพราะว่าร่างกายซุดโทมลงก็ต้องช่วยแต่งให้สวยขึ้นสะอันแกจะมีเมียมแม่มก็มีไปเถอนนะแต่อย่าพยายามทำให้แม่เป็นแม่มไม่มีวันสาเร็จหรอกประภัยน้องแกก็เถอะแม่ไม่ยอมเหมือนกันสาอัานหัวเราะห้ามอะไรก็ห้ามได้หรอกคุณแม่แต่จะห้ามประภัยไม่ให้โตเป็นสาวนั้นเห็นจะห้ามยากและคนที่โตเป็นสาวนั้นจะห้ามไม่ให้แต่งตัวสวย มมคำพูดของตาอ้านในเรื่องนี้ตลอดจนคำพูดกริยาท่าทางของกระไพในบางกรณีทาให้พลอยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามยุคตามสมัยนั้นกำลังก้าวคืบเข้ามาแม้ในครอบครัวลูกๆของพลอยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตลูกคนเดียวที่ยังพูดกันรู้เรื่องและพูดกันได้ด้วยความเห็นใจ ก็เห็นจะมีแต่ตาออดคนเดียวพรอยก็รอให้ตาออดกลับอยู่ด้วยความหวังต่อมาไม่นานก็มีข่าวสรงพระคันพระเจ้าลูกเธอพร้อมด้วยข่าวสถาปนาเจ้าจอมผู้ทรงคันขึ้นเป็นพระนาง คุณเพรมดูเหมือนจะปิติยินดีในข่าวพระเจ้าลูกเธอเป็นพิเศษฉันเห็นพระไทยในหลวงท่านเสียจริงๆเศรษราชมาตั้งนานแล้วยังไม่มีพระเจ้าลูกเธอไว้ทรงรับรัชทายาทพระเจ้าน้องยาเธอแท้ๆกอที่วงคดไปทีละองค์แม่พลอยคิดดูสิเริ่มต้นกระทุนกระหม่อมพระองค์เล็กแล้วก็ทุนกระหม่อมเอียดทุนกระหม่อมฟ้าติว๋ว ที่วงคดไปจนหมดเหลือแต่ทูลกระหม่อมเอียดน้อยพระองค์เดียวท่านก็ไม่แข็งแรงนะักประชวนอยู่บ่อยๆทูลกระหม่อมเอียดน้อยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดในเวลาต่อมานั่นเองนะคะคุณเปรมบอกว่าถ้ามีเจ้าฟ้าประสูติเสียแต่เดี๋ยวนี้เรื่องก็จะแน่นอนขึ้นไม่มีปัญหากว่าจะสิ้นแผ่นดินก็คงจะทรงพระเจริญเป็นหนุ่ม เพราะในหลวงท่านก็คงจะอยู่ในราชสมบัติไปอีกนานคุณเปรมพูดอย่างมั่นใจแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังหารู้ไม่ว่าความมั่นใจและความหวังของตนจะสลายลงในเวลาอันรวดเร็วพราะ ย, ยังจาได้ว่าวันงานฉัตรมงคลต่อมานั่นเองคุณเปรมแต่งตัวเต็มยศเข้าไปงานในวังแล้วก็กลับบ้านดึกผิดปกติ พอคุณเตมกลับมาถึงบ้านเห็นพลอยนั่งคอยอยู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ในหลวงเสด็จเข้ามาจากวังพญาไทในพิธีฉัตรมงคลเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งจากพระพัตอยู่ครู่หนึ่งเกิดโปรโดขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ทราบรับสั่งให้บอกมหาดเล็กห้องพระบรรทมและชาวที่ที่วังพญาไทให้ย้ายเข้ามาเดี๋ยวนั้นจะประทับเข้าที่ ที่พระที่นั่งจักรพรรดิต่อไปเป็นประจำไม่มีกําหนดรู้วังท่านก็มีถมไปทําไมจะไปประทับที่นั่นเล่าคุณเพรมพระที่นั่งจักรพรรดินั่นโบราณออกจะตายไปมีมาแต่สร้างกรุงไม่เห็นจะน่าสบายตรงไหนเลยฉันอยู่ในวังยังเห็นว่าน่ากลัวออกก็นั่นน่ะสิพระที่นั่งจักรพรรดิเคยเป็นที่ประทับมาจนถึงรัชกาลที่สามต่อจากนั้นมากี่พันดินก็ไม่เคยเข้าไปประทับที่นั่นอีก คงเข้าเพียงคืนวันเฉลิมพระราชมเทียนในงานราชาพิเศษเท่านั้นบางทีท่านจะมีพระประสงค์ให้พระเจ้าลูกเธอประสูติในวังหลวงกระมังอืมถึงกระนั้นก็เถอะแม่พลอยพระที่นั่งอื่นในนั้นก็ยังมีถมไปแต่ฉันได้ยินว่าท่านรับสั่งว่าท่านจะเข้ามาประทับแบบพระเจ้าแผ่นดินโบราณเข้าที่ใต้พระมหาสเสวตฉัตรในจักรพัท เครื่องคราวต่างๆเช่นเครื่องราชูประโภคเครื่องทรงพระสัมอางก็สั่งให้เอาของเก่าออกใช้ทั้งนั้นแปลกแ ท, ท้ๆทีเดียวฉันนึกสังหอนอย่างไรก็ไม่รู้ในหลวงท่านไม่ค่อยประทับในวังหลวงกี่มากน้อยตั้งแต่เสวยราชมาก็เที่ยวประทับที่โน่นที่นี่สร้างวังใหม่ๆก็หลายแห่งฉันแต่ท่าวาสุกรียังเคยไปประทับแต่คราวนี้รู้สึกว่าท่านอยากจะกลับเข้าวังหลวงเสียจริงๆ เหมือนกับคนที่หายไปไหนนานๆแล้วก็อยากกลับบ้านป่านนี้ช้อยคงดีใจหรอกเพราะในวังจะได้คลึกครื้นถ้าจะจริงถ้าประทับอยู่ในนั้นนานๆมีเจ้าฟ้าประสูตรในวงังบางทีก็จะกลับไปเหมือนเก่าๆเมื่อครั้งที่แม่พลอยกับฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กระมังนึกดูเดี๋ยวนี้ก็นานใจหายแต่ถ้านึกถึงเป็นบางเรื่องก็ดูเหมือนวันซืนนี่เอง เรื่องอะไรคุณเปรมก็ไม่รู้หลายเรื่องตอนฉันไปดักคอยดูตัวแม่พลอยแถวหน้าประตูสีสุดาวงนั้นฉันยังจำได้ติดหูติดตาเหมือนกับเพิ่งผ่านไปมาแต่เมื่อวานนี้เองแต่ถ้าคิดไปก็นานหนักหนาะคนที่เคยรู้จักก็ตายไปแล้วเกือบหมดลูกเต่าของเราก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดยังมีเหลือที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็แม่พลอยเท่านั้นเอง เพรมก็ช่างพูดออกมาได้ไม่กระดากปากบ้างเลยฉันแก่ลงไปต้องเป็นกองและยังจะมาหาว่าไม่เปลี่ยนแปลงแม่พลอยแก่ก็ไม่ได้แก่ไปคนเดียวฉันเองก็แก่ลงไปด้วยคนเราที่รักกันอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตแก่ลงมาด้วยกันก็จะต้องเห็นว่าคนที่เรารักนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นอย่างที่ฉันมองเห็นแม่พลอยนี่แหละเพราะฉันมีแต่แม่พลอย จึงไม่วิตกอะไรเท่าไหรนะ่นักถึงของอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่แม่พรอยของฉันก็ยังคงเหมือนเก่าอยู่เสมอยังสาวยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงคุณเปรมพูดพลางหันหลังให้แล้วก็พูดต่อไปว่าแม่พรอยช่วยบีบหัวไหลตรงนี้ให้ฉันหน่อยเถิดเมื่อตอนบ่ายฉันไปดูชาวที่เขาจับพระที่นั่งเห็นอะไรต่ออะไรวางอยู่ไม่ถูกใจ โดดเขายกเองมันก็ยอกที่หัวไหล่ขวานี่ปราบขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายพรอยอมยิ้มยกมือขึ้นนวดไหล่คุณเปรมด้วยความรักความเอ็นดูถึงปากคุณเพรมจะพูดจาฉอเลาะหน้าฟังเหมือนผัวหนุ่มเมียสาวแต่สังขารของคุณเพรมก็ร้องอุทธรว่าคุณเปรมนั่นแก่ลงมิใช่คนหนุ่มอย่างแต่ก่อนหรืออย่างที่คุณเปรมเข้าใจต่อมาอีกสามสี่วัน พลอยก็ได้ทราบข่าวจากคุณเปรมว่าในหลวงทรงพระประชวรแต่คุณเปรมก็พูดอย่างเห็นเป็นของธรรมดาว่าไม่หนักหนาอะไรหรอกแม่พลอยพระนาพีเสียนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าสเสมวยโต๊ะจีนในงานเลี้ยงบางทีจะมีอะไรผิดสำแดงอีกสองสาวันก็คงจะหายฉันได้ยินหมอเขากะกันว่าอีกสิบกว่าวันจาฟ้าก็จะประสูติคงจะดีพระไทยได้ฉลองกันใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ได้เตรียมสมโพธจ้าฟ้าไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าอีกสองสาวันต่อมาพระอาการประชวนก็มีได้ดีขึ้นแต่ยังคงทรงพระประชวนต่อไปและพระอาการกลับซุดลงเรื่อยๆข่าวนี้พลอยสังเกตเห็นคุณเบรมหน้าไม่ตาเกรียมลงทุกวันทุกวันแม้แต่ข่าวจากเมืองนอกว่าตาออดเรียนสําเร็จสอบไล่ได้ปริญญาและเริ่มออกเดินทางกลับบ้านในเร็วๆนี้ ข่าวนี้กลับม่ได้ทาให้คุณเรมดีใจเท่าไหรนะ่นักเมื่ออ่านจดหมายจากเตอรอดจบคุณเปรมได้แต่ถอนใจใหญ่แล้วก็พูดขึ้นลอยๆว่าถ้าฉันได้รับข่าวนี้เวลาอื่นฉันก็คงจะดีใจมากหรอกแม่พรอยแต่ได้ยามนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจมันแห้งไม่มีอะไรที่จะมาทำให้รื่นเริงดีใจใได้เลยเพระาะการในหลวง หน้าวิตกขึ้นทุกวันเขาว่าเป็นฝีหัวคว่าในพระนาภีเมื่อวานนี้เองมหาดเล็กก็พูดว่ามีมดขึ้นพระบงคนเบาถ้าเป็นจริงก็แปลว่าโรคเบาหว า, านเข้ามาแทรกเจ้าประคุณเอ้ยขอให้ท่านหายวันหายคืนเถิดฉันรู้ตัวว่าฉันมีร่มโพ ร, ร่มใสเหลืออยู่เพียงแผ่นดินนี้แต่หมูนี้ ฉันฝันร้ายติดๆดกันมาหลายคืนแล้วใจคอไม่ค่อยสบายเลยบุญบานสารกล่าวไปทั่วทุกแห่งแล้วจนชั้นแต่เท้าฮิรันฮูเห็นแก่เคยคุยไว้นักหนาว่าแกถวายตัวไว้คอยคุ้มครองพระองค์มิให้มีอันตรายถ้าคราวนี้ท่านเป็นอะไรชั้นกับอิตาฮิรันฮูนี่เห็นจะต้องตัดญาติขาดมิตรเลิกนับถือกันทีเดียวฟังแล้วคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจนะคะ สำหรับเท้าหิรัญหูคุณเปรมเคยเล่าให้พลอยฟังว่าเท้าหิรัญหูนั้นเป็นอะมนุษย์ตนหนึ่งสิงอยู่ที่สุขโขทยัยซึ่งเป็นราชธานีโบราณครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสุขโขทยัยเมื่อตอนที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเท้าฮิรันฮูมาปรากฏในพระสุบินกราบทูลให้ทรงทราบชื่อเสียงแล้วก็เรื่องราวของตน จากนั้นก็ถวายตัวเป็นเทพารักษ์ประจําพระองค์คอยคุ้มครองป้องกันอันตรายและก็จะตามเสด็จไปทุกแห่งครั้บนบรรทมตื่นจากพระสุบินแล้วก็โปรดให้สร้างรูปเท้าหิรันฮูตามที่ทรงจําได้แล้วก็เชิญรูปนั้นไปในทุกที่ที่เสด็จไปประทับที่พญาไทก็มีรูปใหญ่แล้วก็โปรดให้ตั้งเครื่องเส้นเป็นนิดแล้วก็มีรูปเล็กอีกรูปหนึ่งสิดรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ปัจจุบันนี้นะคะที่วังพญาไท ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มีรูปของเท้าหิรันหูนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คนในที่นั้นนะคะรวมไปถึงบรรดาคนทั่วไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มากราบไหว้เคารพ บ, บูชานะคะบนบานสันกล่าวเท้าหิรันหูกลับเข้าเรื่องต่อนะคะวันหนึ่งคุณเปรมกลับมาบ้านตอนเย็นคะ่ะ แล้วก็บอกว่าเจ้าฟ้าประสูติแล้วแม่พรอยเจ้าฟ้าชายหรือเปล่าเปล่าเจ้าฟ้าหญิงคุณเพรมตอบอย่างอ่อนใจแล้วทรงทราบหรือยังทรงทราบแล้วตั้งแต่ตอนประสูติเมื่อเช้าพอเสียงประโคมดังก็ไปถึงในที่บนจักระพัมีแต่เสียงปีพาดไม่มีเสียงประโคมตแตรสังก็ทรงทราบได้ทันที อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมว่าถ้าเป็นพระโอรสก็จะมีเสียงประโคมแตรสังนะคะเป็นอันว่าพลอยพูดยังไม่ทันจบคุณเปรมก็พยักหน้าเป็นอันว่าแผ่นดินตกแก่พระเจ้าน้องยาเธอเพราะไม่มีพระราชโอรสองไหนกันคุณเปรมก็เห็นจะเป็นทูลกระหม่อมเอียดน้อยคุณเปรมตอบ แล้วก็ถอนใจเย็นวันนั้นคุณเปรมอาบน้ำแล้วก็ไม่ยอมอยู่กินข้าวบอกว่าไม่มีแก่ใจถึงจะกินก็คงจะกินไม่ลงแล้วก็รีบกลับเข้าไปนั่งเฝ้าพระอาการบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ไบ่ายก่อนจะเข้าวังคุณเปรมก็เล่าถึงเรื่องที่เขาเชิญเจ้าฟ้าประสูตรใหม่เข้าไปให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรข้างพระที่ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้แต่เอาพระหัตถ์วางบนพระองค์เจ้าฟ้าเบาๆแล้วน้ําพระเนตรไหลมีได้ตรัสว่าอย่างไรทําให้พลอยต้องน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความสงสารคืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไม่ค่อยหลับจิตใจหดขูผิดปกตินึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวสงสารคุณเพรมรู้สึกหวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเช้า ว, วันรุ่งขึ้นพอพลอยตื่นล้างหน้า ก็ได้ยินเสียงชอยเดินพูดขึ้นมาบนตึกว่าพอประตูวังเปิดฉันก็รีบออกมาทีเดียวและชอยก็โผล่เข้ามาในห้องด้วยเครื่องแต่งกายชุดดำทั้งตัวพอเห็นพรอยชอยก็พูดขึ้นว่าสวรรค์โคตรเสียแล้วแม่พรอย พลอยรีบล้างหน้ามือไม้สั่นด้วยความตกใจความเสียใจเป็นส่วนตัวอย่างที่เคยรู้สึกเมื่อแผ่นดินก่อนมีได้บังเกิดขึ้นเพราะแผ่นดินนี้พลอยขาดความใกล้ชิดมีแต่ความตกใจแล้วก็รู้สึกใจหายในข่าวสวรรค์ความรู้สึกเหมือนบ้านแตกเสาแตกขาดอีกครั้งหนึง่งพลอยรู้โดยสัญชตาตญาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ จะต้องกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของตนและของคนทั่วไปอย่างแน่นอนสวรรค์คดเมื่อคืนนี้ตอนดึกฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกเพราะอยู่ห่างแต่เท่าที่เห็นก็ขนลุกตอนนั้นฉันนอนไม่หลับออกมาลูบตัวข้างนอกเหลือบมองไปทางพระที่นั่งจักรพรรดิเห็นดาวตกดวงโตทีเดียวเกือบเท่าลูกมะพร้าวในแม่พรอยฉันตกใจทับซีนสติพอดาวดวงนั้น จะรับหลังคาพระที่นั่งไปความสว่างของดาวทําให้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคาพระที่นั่งสว่างโรคกระท้อนกลับขึ้นมาราวกับไฟไหมอีกสักครู่หนึ่งคนเขาก็วิ่งมาบอกว่าสวรรค์โคตรแล้วเขาเล่าว่าตอนที่มีแสงสว่างนั้นขุนนางที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าลุก ค, คือกันด้วยความตกใจบางคนถึงกับวิ่งทะลันเข้ามาถึงประตูนึกว่าเกิดอะไรขึ้น พลอยนั่งคุยกับช้อยเบาๆอยู่บนตึกรอให้คุณเปรมเนี่ยกลับมาบ้านแต่ปรากฏว่าก็นั่งรอกันอยู่นานก็ปกติจนเกือบบ่ายโมงคุณเปรมจึงได้มาถึงเพราะเห็นหน้าคุณเปรมพลอยก็ต้องสะดุง้งเพราะคุณเปรมดูเหมือนจะแก่ลงไปหลายปี ภายในเวลาชั่วคืนเดียวตาของคุณเปรมลึกกรวงแดงเหมือนกับร้องไห้มาจนสิ้นน้ำตาเสียแล้วใบหน้าซีดเผือดแก้มตอบเข้าไปจนกระดูกแก้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณเปรมเดินขึ้นบ้านอย่างอ่อนปรยโรยแรงเห็นพลอยนั่งอยู่กับช้อย ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแต่เดินผ่านเลยเข้าไปในห้องพระทำให้พลอยต้องรีบลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเข้าไปติดๆ พระบรมรูปองค์ใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกตั้งอยู่คุณเปรมเดินเข้าไปถึงตรงหน้าพระบรมรูปแล้วก็ค่อยๆ ค, คุกเข่าลงหมอบกราบถวายบังคมแล้วคุณเปรมก็ซบหน้าเป็นลมสิ้นสติอยู่ตรงนั้น แผ่นดินที่สอง